เหมือนลงหนังนะที่นี่เนลงหนังโบราณบบลงหนังสมัยนี้เป็นไงหลงพ่อไม่ดูไม่ได้ดูหนังหลายสิบปีแล้วเรียนกันมานานแล้วนะแต่ละคนเวลาผ่านไปทุกทีแลผ่านไปทุกปีทุกปี เราเประเมินผลตัวเองได้ไหมว่าเราดีขึ้นหรือเปล่าถ้าเราภาวนาแล้วก็รู้สึกเหมือนเดิมไม่มีความรู้ถูกความเข้าใจถูกเพิ่มขึ้นนะึันคงทำอะไรผิดนะถ้าเราภาวนาถูกหลักตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจริงใจเราจะเปลี่ยนในเวลาสั้นไม่นาน ใช้เวลาไม่นานเราจะเปลี่ยนเหมือนเป็นคนใหม่เมื่อก่อนนี้เคยเกิดหมกมุ่นรุ่มหลงอยู่กับโลกใจมีค่อยๆถอนตัวห่างโลกออกมาพวกเราคนในรู้สึกบ้างว่าโลกมันห่างออกไปรู้สึกบ้างไหมยกมือหลวงพ่อดูหน่อยมีไหมเยอะเหมือนกันนะ ห่างโลกแบบไม่มีคนครบหรือเปล่าห่างโลกาไม่มีใคร็ขาครบด้วยแนละอยู่คนเดียวถ้าพาวนาไปเรื่อยรรู้สึกโลกก็อยู่ส่วนโลกใจเราก็อยู่ส่วนใจมันห่างกันออกไปเรื่อยแต่มันไม่ใช่ห่างแบบที่เราเยี่ยบเหงาว่าเวยใจเราไม่มีคำว่าเยี่ยมเหงาว่าเบใจมันมีความเต็มมีความอิ่มมีความสุขความสบาย มันร่มร่มรื่นนะอยู่ภายในไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในโลก ใ, ใจเราก็อยู่อยากมีความสุขมีความสงบอยู่ได้เพาจิตมันได้รับการฝึกฝนอบรมมาแล้วพระพุทธเจ้าท่านถึงสอนว่าจิตที่ฝึกดีแล้วอบรมดีแล้วนําความสุขมาให้พวกเราก็มาฝึกจิตฝึกใจของเราะถ้าไม่เรียนเรื่องจิตใจก็ไม่ได้เรื่องศาสนาพุทธละ แล้ก็ศาสนาพุทธเปเรื่องของจิตใจเป็นหลักเลยส่วนเรื่องศีลธรรมจ ร, ริยธรรมอะไรท่านก็สอนเป็นอีกระดับหนึ่งเป็นธรรมะอีกระดับหนึ่งส่วนธรรมะสำคัญหนึ่งคือเรื่องการพัฒนาจิตใจตัวเองจิตใจนั้นมันเป็นอนัตตาอนัตตาแปลว่าไม่อยู่ในอำนาจ บ, บังคับ ถ้าฟังแค่นี้มันก็เหมือนกับว่าเราไม่มีทางที่จะพัฒนาได้เลยเพราะจิตใจมันบังคับไม่ได้แต่พระเทพเจ้าท่านสอนนะจิตนั้นเป็นธรรมชาติที่ฝึกอบรมได้บังคับไม่ได้แต่ให้มันเรียนรู้ได้แล้วมันเปลี่ยนของมันเองเราไปเปลี่ยนแปลงจิตไม่ได้แต่เราให้จิตได้เรียนรู้ความจริงของรูปนามกาใจไปแล้วจิตก็จะเปลี่ยนของจิตเอง เป็นธรรมชาติที่แปลกจิตนี่เป็นธรรมชาติที่วิจิตทิสดานกว้างขวางทำงานได้ตั้งมากมายทำหน้าที่ไปดูก็ได้อย่างคนมีตามีรูปมีแสงสว่างแค่นี้ยังมองไม่เห็นต้องมีจิตคือมีความรับรู้ทางตาเกิดขึ้นถึงจะมองเห็นอย่างเวลาเรานอนหลับ จิตไม่เกิดที่ตาแต่บางคนนอนลืมตาเคยเห็นไหมคนนอนลืมตามองเห็นไหมไม่เห็นนะแราวไม่มีจิตงั้นที่มองเห็นได้เพราะจิตมันเห็นจิตทําหน้าที่ได้ยินเสียงทําหน้าที่รู้กลิ่นทําหน้าที่รู้รสทําหน้าที่รู้สัมผัสทางกายทําหน้าที่รู้เรื่องราวทางใจเจิตทํางานได้หลายอย่างเมื่อกระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายนละ้ ส่งสัญญาณจิตทาหน้าที่ส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจก็ได้พะส่งสัญญาณเข้ามาแล้วจิตอีกดวงหนึ่งเกิดขึ้นมารับสัญญาณมาแปลความหมายสิ่งที่มองเห็นนั้นคืออะไรอย่างขณะที่ตาเรามองเห็นนะจิตที่เกิดทางตาทำให้เรามองเห็นรูปสิ่งที่เห็นนนะแค่สีเท่านั้นเองส่วนที่จะรู้ว่าเป็นรูปอะไรนะจิตมาทำงานทีหลัง เราคนไหนเคยสังเกตไหมเคยเห็นบ้างไหมเวลาเรามองอะไรสักอย่างเนี่ยทีแรกเราเห็นนะแต่เราไม่รู้ว่าคืออะไรเนืองเพราะจิตยังไม่ได้ส่งสัญญาณเข้ามาแล้วยังไม่ได้มาแปลความหมายเนื่องจิตมันทํางานได้วิจิตพิสดารรับอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจได้แล้วส่งสัญญาณก็ได้รับสัญญาณก็ได้แปลสัญญาณก็ได้ถัดจากนั้นก็ให้ค่านะจิตมันก็ทำหน้าที่ให้ค่า ไอ้ น, นี้ดีอันนี้ไม่ดีไอ้ น, นี้สุขอันนี้ทุกข์เลยนะแปลไปอันนี้ถูกใจอันนี้ไม่ถูกใจพอแปลความหมายเสร็จรู้เรื่องแล้วตัดสินใจแล้วจิตทำหน้าที่เรียกว่าเสวยอารมณ์ไปเสพอารมณนะ์ไปเสพอารมณ์เกิดความรู้สึกสุขรู้สึกทุกขนะ์รู้สึกเฉยๆทางใจเกิดกุศลบ้างอากุศลบ้างจิตที่เป็นกุศลก็มีนะ จิตเป็นอกุศลก็มีมีตั้งหลายแบบอกุศลมีตั้งแต่โลภโกรธโลงพอจิตทํางานไปนะด้วยความเป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างเดยมีสุขบ้างทุกบ้างเขเฉยบ้างแนละ้วจิตมันทํากรรมจิตกระทากรรมแล้วมันก็สั่งร่างกายสั่งร่างกายให้พูดสั่งร่างกายให้ทํางานได้ด้วยเรีนะยความยิ่งใหญ่ของมัน ก่อนที่เราจะโชคหน้าใครสักคนนะจิตมันสั่งให้โชคก่อนถ้าจิตมันไม่ได้สั่งนะสร้างกายมันทำงานไม่ได้แล้วจิตนี่เป็นตัวใหญ่ตัวสำคัญมากเลยมันทำงานได้กว้างขวางสารพัดพรพอมันไปทำกรรมเสร็จแล้วเนี่ยจิต ย, ยังทำหน้าที่บันทึกนะเก็บข้อมูลของการกระทากรรมสะสมเอาไว้อีกเก็บบันทึกข้อมูลเอาไว้ จจิตก็ลงผวังนะตกผวังมีชีวิตยอยู่เหมือนกับไม่มีนะไม่ออกมารู้อะไรข้างนอกแล้วจิตไปเคลื่อนอยู่ข้างในผวังก็ได้อีกนะจิตปุดออกมาจากผวังก็ได้อีกจิตจะทำหน้าที่เกิดได้ด้วยเวลาที่เราเกิดหรือเวลาที่เราตายเนี่ยจิตมันทาหน้าที่จิตที่ตายเกิดขึ้นเมื่อไหร่ดับลงไปแล้ว จิตดวงที่จะตายนะเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับลงเมืเกิดจิตเกิดขึ้นมาแทนในภพใหม่เรียบร้อยแล้วแล้วจิตเนี่ยทำหน้าที่กว้างขวางพิสดารมากนะการที่จะฝึกการที่จะอบรมมันนะเราไม่จำเป็นว่าต้องรู้กระบวนการทำงานทุกสิ่งทุกอย่างของมันหรอกรู้เท่าที่รู้ได้ค่อยๆเรียนค่อยๆสังเกตไป อย่างพวกเราตอนนี้ใครสังเกตเห็นบ้างว่าขณะที่ตามองเห็นเนี่ยยังไม่มีกิเลสกิเลสเกิดทีหลังรู้สึกไหมกิเลสมันมันต้องไปเห็นก่อนนะแล้วมันต้องคิดหน่อยหนึ่งนะมันทํางานทางใจมีการให้ค่าขึ้นมาแล้วมันถึงจะเกิดกิเลสหรือเกิดกุศลขึ้นมาอย่างเวลาเราขับรถคนมาปาดหน้าเราขณะที่เรามองเห็นคนขับรถปาดหน้าจิตยังไม่โกรธนะมันต้องคิดนิดหนึ่งก่อนนะสังเกตไหม กระบวนการทำงานของมันเนยเราเลือกไม่ได้เราสั่งไม่ได้อย่างจิตจะมองเห็นรูปหรือไม่เห็นเนี่ยเราสั่งไม่ได้บางทีตั้งใจจะดูยังไม่เห็นเลยนะหรือจิตจะฟังเสียงหรือจิตจะดูรูปเราเลือกไม่ได้ว่าตอนนี้จะฟังตอนนี้จะดูตอนนี้จะรู้กลิ่นตอนนี้จะรู้รสตอนนี้จะรู้สัมผัสทางกายเราเลือกไม่ได้จิตมันเป็นไปเองจิตมันเลือกของมันเอง เนี่ยจิตมันทําหน้าที่ได้พิลึกพี่ลั่นมากนะเราค่อยๆเรียนค่อยๆสังเกตไปเท่าที่ทําได้เบื้องตอนน้นอาจจะสังเกตว่าจิตใจเราเป็นทุกข์ขึ้นมาแล้วหรือจิตใจเราเป็นสุขะค่อยๆดูไปมันคลุ่มใจรู้ว่าครุ้มใจมันสบายใจรู้ว่าสบายใจค่อยๆสังเกตไปะยังไม่ถึงขนาดรู้จักจิตทุกชนิดหรอกแต่ว่ารู้จิตอยู่สองสามอย่างก็พอนะเท่าที่รู้ได้ แต่ว่าไม่ว่าจิตชนิดใดก็ตามนะมีธรรมชาติร่วมกันอย่างหนึ่งนะคือเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับจิตที่ดูเกิดแล้วก็ดับจิตที่ฟังเกิดแล้วก็ดับจิตที่คิดเกิดแล้วก็ดับจิตที่ดีจิตที่ชั่วจิตที่สุขจิตที่ทุกข์ตั้งแต่เกิดแล้วดับทั้งสิ้นจุดที่เราต้องการเรียนต้องการให้เห็นนะก็คือสภาวะที่ว่าจิตทั้งหลายเกิดแล้วก็ดับไปเราพาให้มันดูความจริงตัวนี้เรื่อยๆไปนี่ตัวจิตเองเนี่ย ไม่มีรูปรักษ์จิตเป็นนามธรรมไม่มีรูปร่างเราจะไปดูของที่ไม่มีรูปร่างเนี่ยดูยากเราอาศัยรูปร่างของจิตเ้เรียกว่าจิตตสังขารจิตตสังขารเนี่ยทำให้เราสามารถจําแนกว่าจิตดวงหนึ่งแตกต่างกับจิตอีกดวงหนึ่งได้อย่างจิตที่มีความสุขเนี่ยมีจิตตาสังขารคือความสุขจิตที่มีความทุกข์มีจิตตสังขารคือตัวทุกข์สุขกับทุกข์ไม่ใช่จิต แต่เป็นสิ่งที่มาประกอบจิตหรือจิตที่โลภกับจิตที่โกรธจิตที่หลงจิตที่ฟุ้งซ่านจิตที่หดหูความโลภความโกรธความหลงความฟุ้งซ่านความหดหูนะไม่ใช่จิตเป็นสิ่งที่มาประกอบจิตแล้วมันทําให้จิตแต่ละดวงนั้นมีลักษณะที่แตกต่างกันเราค่อยๆหัดสังเกตไปนะอย่างน้อยให้ได้หนึ่งคู่ต้องดูได้หนึ่งคู่เช่นเราเป็นคนที้โกรธเราก็หัดดูจิตเป็นโกรธเราก็รู้นะ จิตที่โกรธคู <sinner> ่กับจิตอะไรจิตที่โกรธคู่กับจิตไม่โกรธนะงั้นถ้าคนไหนขี้โกรธเราก็สังเกตจิตไปเออจิตตัวนี้โกรธขึ้นมาละอ้าวดวงนี้หายโกรธแล้วนี่มันเกิดดับเกิดดับเกิดดับไปคนไหนขี้โลบนะเราก็ดูเวลาจิตมันโลบขึ้นมาเราก็รู้ทันจิตมันหายโลบเราก็รู้ทันคนไหนมันขี้หลงใจลอยบ่อยใจลอยพอรู้ทันว่าใจลอยมันก็เกิดจิตที่รู้สึกตัวขึ้นมา รู้สึกตัวอยู่ได้ประเดี๋ยวหนึ่งก็ใจลอยอีกแล้วเกิดจิตใจลอยขึ้นอีกแล้วงั้นการที่เราจะดูจิตเนี่ยไม่ใช่ดูตัวจิตตรงๆถ้าดูตัวจิตตรงๆเราจะไม่เห็นอะไรเลยเราดูผ่านสิ่งที่เรียกว่าจิตตาสังขารนะคือสิ่งซึ่งมาปรุงแต่งจิตแล้วค่อยค่อยสังเกตค่อยค่อยดูไปมันประกอบด้วยความสุขว้างความทุกข์บ้างความเฉยเฉยบ้างความดีบ้างความโลภ บ, บ้างความโกรธความหลงบ้างนะความฟุ้งซ่านความหดหู่อะนี้ ค่อยๆหัดดูไปแล้วเราจะเห็นว่าจิตทุกชนิดเกิดแล้ดับนเวลาเรียนเอาคู่เดียวนั่นแหละขี้โกรธก็ดูจิตโกรธกับจิตไม่โกรธขี้รอบดูจิตรอบกับจิตไม่รอบชอบฟุ้งซ่านนะดูจิตฟุ้งซ่านกับจิตไม่ฟุ้งซ่านจิตจะซึมไปหลังจากจิตฟุ้งซ่านนะจิตจะเสื่องซึมจิตจะหดหูเป็นธรรมชาติเลยเพวกเราสังเกตไหมหลังจากที่ฟุ้งไปนะใจมันจะซึมซึมเสื่องซึมนะมันจะเป็นของคู่กัน ถ้าใครได้คู่นี้นะลําบากที่สุดเลยเวรกรรมนะนะเพราะว่ามันเป็นอกุศลทั้งคู่เลยจิตฟุ้งซ่านก็อกุศลนะจิตโทดหูก็อกุศลนะมันจะพลิกไปพลิกมาอยู่ในอกุศเลเรื่อยๆเลยแล้วมันดีตรงไหนมันดีตรงที่ว่ามีอกุศล ร, รู้ว่าเป็นอกุศลขนาดที่รู้ว่าเป็นอกุศล น, นะกุศลเกิดแล้วนะสติเกิดแล้วเป็นกุศลแล้วนั้นถ้าใครประเภทฟุงรร้งซ่านเนี่ยนะน่าสงสาร คู่ของฟุ้งร้านคือหดหูไม่เหมือนคู่ของโกรธนะคู่ของโกรธคือไม่โกรธจิตที่ไม่โกรธเป็นจิตที่ดีหรือไม่ดีไม่แน่นะจิตที่ไม่โกรธอาจจะเป็นจิตที่โลภก็ได้นะในขณะที่โลภไม่โกรธนะในขณะที่มีราคะไม่มีโทสะนะงั้นตรงที่ว่าจิตมีความโกรธเรารู้จิตไม่โกรธตรงนี้อาจจะเป็นจิตที่เป็นกุศลก็ได้เป็นจิตที่เป็นอกุศลอย่างอื่นก็ได้นะ ไปจิตที่ใจลอยไปแล้วไม่โกรธแล้วใจลอยโมหะครอบไปก็ได้เนี่ยเราค่อยๆสังเกตใจิตใจของเราเองนะเราก็เห็นที่โกรธมันก็โกรธเกิดขึ้นมาเดี๋ยวก็เป็นอย่างอื่นที่โลภความโลภเกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นอย่างอื่นนะใจลอยแล้วก็รู้สึกใจลอยแล้วก็รู้สึกะเนี่ยใจลอยแล้วรู้สึกเนี่ยหลวง่ออยากให้ฝึกให้มากๆนะตัวเนี้ยดีมากเลยถ้าใจลอยแล้วรู้สึกใจลอยแล้วรู้สึกเนี่ยจะพัฒนาเร็วมากเลย เพราะว่าจิตที่โลภจิตที่โกรธอะไรเนี่ยอาศัยจิตที่หลงเป็นฐานถ้าจิตไม่หลงตัวเดียวนะจิตโลภจิตโกรธไม่ได้จะโกรธได้ต้องหลงนะจะโลภได้ต้องหลงเนอย่างเราจะรักใครสักคนหนึ่งต้องหลงเ้าเรียกหลงรักเนี่ยหลงเกลียดคนโบราณเก่งนะมีคําว่าหลงรักหลงเกลียดอะไรขณะที่เกลียดเขาก็หลงอีกแหละนี่เราค่อยๆฝึกค่อยๆสังเกตไป เพื่อให้เห็นว่าจิตทุกชนิดเกิดแล้วก็ดับจิตทุกชนิดเกิดแล้วก็ดับไม่ให้ฝึกให้จิตดีจิตสุขจิตสงบเพราะดีไม่เที่ยงสุขก็ไม่เที่ยงสงบก็ไม่เที่ยงถ้าฝึกแล้วตั้งเป้าหมายเอาของไม่เที่ยงนั้นเราก็ได้ของจําปลอมเดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็เสจจียใจพอมันดีมันสุขมันสงบก็ดีใจนะพอมันไม่ดีนะมันเป็นทุกข์ขึ้นมามันฟุ้งซ่านขึ้นมาก็า เ, าเสจจียใจใจก็ยังแปงขึ้นแปรลงแปงขึ ly, าาา้นแปรลงหาสาระไม่ได้ นั้นที่เรามาฝึกเรียนรู้จิตใจนะค่อยๆพาจิตมันเรียนรู้ไปให้เห็นว่าจิตชนิดใดเกิดขึ้นจิตชนิดนั้นก็ดับไปนะแล้วจิตทุกชนิดที่เกิดเนี่ยเราสั่งไม่ได้จิตจะสุขหรือจิตจะทุกข์เราเลือกไม่ได้จิตจะดีหรือจิตจะชั่วเราเลือกไม่ได้นะจิตทุกชนิดเลือกไม่ได้แล้วค่อยๆสังเกตนี่แหละคือการที่เราอยากค่อยๆฝึกมันนะพามันเรียนรู้ความจริงไป ที่สุดจิตจะค่อยๆเกิดปัญญาเนกะิดจิ ต, จตเกิดปัญญาคือจิตไม่เข้าใจไม่เกิดความรู้ถูกความเข้าใจถูกนะว่าจิตทุกชนิดเกิดแล้วดับถ้าเมื่อไหร่ที่เราเห็นว่าจิตทุกชนิดเกิดแล้วดับเนี่ยเราจะรู้ว่าโลกธาตุทั้งหมดเนี่ยเกิดแล้วดับเพราะอะไรโลกนี้ปรากฏกัเรานะโดยอาศัยจิตเป็นคนไปรับรู้อย่าโลกที่เรามองเห็นสิ่งที่เรามองเห็นเนี่ยโลกภายนอกตาเราไปเห็นเข้า เมื่อกี้หลวงพ่อก็บอกแล้วว่าตาเราเห็นได้เพราะจิตมันเข้าไปเห็นใช่ไหมอย่างถ้าเรามีตาเราลืมตาอยู่แต่เราหลับอยู่หลับในนะตามองไม่เห็นงั้นโลกนี้ปรากฏขึ้นมาแกเราได้นะเพราะจิตมันไปรู้เข้าถ้าตัวจิตเองนะก็ไม่เที่ยงแล้วนะมันจะเห็นว่าจิตเกิดดับเกิดดับเนี่ยรูปที่จิตไปเห็นมันจะเที่ยงได้ยังไงมันก็ไม่เที่ยงสังเกตดูนะหน้าหลวงพ่อพวกเราสังเกตไหมหลวงพ่อแสดงปฏิหาร ลองมองหน้าหลวงพ่อนะพยายามมองให้ชัดที่สุดเลยนะตั้งใจมองดูออกไหมว่ามันชัดแว็บเดียวมันชัดชั่วขณะเดียวแล้วก็เบลเบใช่ไหมต้องตั้งใจดูอีกชัดขึ้นไปอีกแวบหนึ่งแล้วก็เบลเบอีกนะเพราะอะไรเพราะจิตเนี่ยเกิดดับอยู่ตลอดเวลาจิตที่เกิดที่ตาก็เกิดดับนะดังั้นเราเห็นรูปเนี่ยชัดเป็นขณะขณะเท่านั้นเองแล้วมันจะเบลไปมองไม่ชัดหรอกนะ ต้องดูใหม่ดูใหม่ก็ชัดขึ้นมาอีกแว บ, บหนึ่งแล้วก็หายไปอีกแล้วดูออกหรือยังใครดูไม่ออกยกมือซิมีไหมมีไหมยังดูไม่ออกมีไหมไม่ต้องเกรงใจนะไม่ต้องทําเก่งว่าดูออกนะเเ อ, อนี่เริ่มยกมือมากขึ้นแล้วต้องซื่อๆนะเรียนซื่อตรงไม่เห็นไม่เห็นก็คือไม่เห็นนะค่อยๆหัดไปเวลาที่เราดูรูป คืเราจะไม่ได้ยินเสียงเวลาได้ยินเสียงนะจะไม่เห็นรูปเวลาที่ใจคิดก็มองไม่เห็นรูปนะไม่ได้ยินเสียงสังเกตไหมขณะที่นั่งฟังหลวงพ่อพูดเนี่ยเดี๋ยวก็ดูหลวงพ่อเดี๋ยวก็ตั้งใจฟังเดี๋ยวสลับไปคิดดูไปคิดไปดูไปคิดไปสังเกตไหมค่อยค่อยหัดดูขณะที่คิดเนี่ยจะไม่รู้เรื่องที่หลวงพ่อเทศล เราฟังประโยคที่หลวงพ่อเทศนะแล้วอาศัยความจำคือสัญญาจําไว้เสร็จแล้วเราก็มาคิดในขณะที่คิดเนี่ยเราเก็บข้อมูลจากความจํนะเอามาคิดเราไม่สามารถรับข้อมูลในปัจจุบันในขณะที่คิดได้นะเพราะนั้นพวกนักคิดทั้งหลายเนี่ยนะจะไม่รู้คือไม่สามารถเห็นสภาวะในปัจจุบันนั้นได้สภาวะทําในปัจจุบันนั้นหายไปแต่จิตจะไปรู้เรื่องราวที่คิด เอเราสังเกตดูขนาดที่เราคิดนะบางครั้งร่างกายเราก็หายไปรู้สึกไหมเวลาเราคิดอะไรเพลินๆนะมีร่างกายก็เหมือนไม่มีนะมีความรู้สึกสุขทุกข์ดีชั่วอะไรก็ไม่รู้เลยเพราะเวลาจิตมันไปรู้เรื่องราวที่คิดแล้วนื่ธรรมชาติของจิตนะคือรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวนะจิตนะ่าเกิดดับตลอดเวลาสืบเนื่องกันอย่างรวดเร็วรู้อารมณ์ได้อย่างครั้งละอย่างเดียวนะ จิตเป็นของบังคับไม่ได้เลือกไม่ได้เป็นของไม่เที่ยงคือแปรปรวนอย่างรวดเร็วเป็นอนัตตาคือสั่งไม่ได้เลือกไม่ได้นะเนี่ยเราพามันเรียนรู้ความจริงของตัวมันไปเรื่อยๆจะมองในแง่ที่ว่าจิตเกิดระดับจิตเกิดระดับมีแต่ความไม่เที่ยงจิตที่เห็นเกิดก็ดับจิตที่ฟังเกิดแล้วก็ดับถ้าอย่างนี้เยอะเกินไปก็ดูที่จิตที่คิดก็ได้ จิตที่คิดนะพอเรารู้ทันว่าจิตคิดจิตรู้ก็เกิดจิตคิดก็ดับแล้วค่อยๆหัดสังเกตไปจิตรู้กับจิตคิดเป็นจิตคนละดวงกันนะจิตที่รู้กับจิตที่คิดเป็นคนละดวงกันเราอย่าเข้าไปแทรกแซงอย่าไปจ้องอย่าไปบังคับจิตร่อยให้เขาทํางานไปตามธรรมชาติธรรมดาเราจะเห็นว่าจิตคิดมันเกิดก็เกิดเองรู้สึกไหมมันคิดได้เองนะเอาละหลวงพ่อหยุดพูดแป๊บหนึ่งนะให้พวกเราดูจิตของตัวเอง หลาพ่อจะหยุดพูดระหว่างที่หยุดพูดนะ่ะห้ามพวกเราคิดนะอย่าคิดนะเราทดลองดูคิดไหมเห็นอย่างว่าคิดได้เองเนี่ยหัดดูไปนะหัดดูมันทํางานไปตอนที่มันคิดไปเนี่ยจิตมันหลงไปจิตมันมีโมหะนะใจมันไหลไปอยู่ในโลกของความคิดมันลืมรูปนามกายใจของตัวเองละจิตมันหลงหลงหลงไป คิดไปแล้วคิดในเรื่องนี้นะเกิดสุขคิดไปเรื่องนี้เกิดทุกข์คิดไปเรื่องนี้โลภคิดเรื่องนี้โกรธคิดเรื่องนี้หลงนะค่อยๆหัดรู้หัดดูเรื่อยๆนะดูไปบ่อยๆต่อไปปัญญามันจะเกิดนะนจะเข้าใจความเป็นจริงของจิตว่าจิตนี้เต็ไมไปด้วยความไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ดับทั้งสิ้นไม่ว่าจิตจะสุขหรือจิตจะทุกข์จิตจะดีหรือจิตจะชั่วจิตจะดูรูปหรือจิตฟังเสียงได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสหรือจิตจะรู้เรื่องราวที่คิดนะ ร่วแต่เกิดระดับเกิดระดับทั้งสิ้นค่อยๆหัดดูไม่ต้องดูทีเดียวทั้งหมดนี้หรอกดูเท่าที่ดูได้ดูเท่าที่ดูได้อย่างถ้าดูอะไรไม่ได้มากนะดูแค่ว่าจิตขณะนี้สุขหรือจิตขณะนี้ทุกหรือจิตเฉยๆสามอย่างนี้พอแล้วขณะนี้ใครมีความสุขบ้างใครมีจิตสุขบ้างยกมือซิใครมีจิตทุกบ้างยกมือซิใครมีจิตเฉยๆยกมือซิ ทาไมรู้เพรดูได้ใช่ไหมไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องยากทําไมวันนี้ส่วนใหญ่จิตเฉยเฉยเพราะหพอเทศเรื่องยากถ้าหลวงพ่อเล่านิยายนิทานมีอะไรประกอบนะจิตเนี่ยแค่หลวงพ่อเปลี่ยนขยับนิดเดียวรู้สึกไหมจิตอุเบกขาเริ่มหายไปแล้วกลายเป็นจิตกระดีกระดาขึ้นมาฉับพลันเลยนี่มันเปลี่ยนฉับพลันเลยเห็นไหมจิตจะกระดีกระดาเราสั่งหรือเปล่าว่าเอาละ กะดีกระดามันไม่กะดีกระดาหรอกนะเราสั่งจิตให้โกรธสิอาสั่งโกรธโกรธยิ่งหน้าทะเล้นหนักกว่าเก่าอีกห้ามมันไม่ได้เลือกไม่ได้ใช่ไหมสั่งไม่ได้ห้ามไม่ได้เลือกไม่ได้สั่งไม่ได้คือคำว่าอนัตตาและความจริงนั้นมันแสดงตัวอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเราจะสุขหรือเราจะทุกข์เราจะดีหรือเราจะร้ายเลือกไม่ได้หรอก แต่ถ้าเราดูอะไรไม่เป็นนะเราก็ตอนนี้จิตมีความสุขเราก็รู้จิตมีความทุกข์เราก็รู้จิตเฉยเฉยเราก็รู้หัดแค่นี้ก็พอละแค่นี้ก็พอจะเป็นพระอรหันได้นะก็มันจะเห็นเลยเบื้องต้นมันจะเห็นเลจิตทั้งหลายเกิดแล้วดับท se um um> ั้งส ER ิ้นเลยจิตสุขเกิดแล้วก็ดับจิตทุกข์เกิดแล้วก็ดับจิตเฉยเยเกิดแล้วก็ดับจิตมันก็มีอยู่สามประเภทเท่านั้นอ่ะคือจิตสุขจิตทุกข์จิตเฉยเฉยนะก็มีอยู่สามอย่างนี้เท่านั้นอ่ะถ้ารู้จิตสามชนิดนี้ได้ก็คือรู้จิตได้ทั้งหมดละนะ ครอบกลุ่มจิตได้ทุกชนิดละเนี่ยเราหัดรู้สึกนะเราเห็นในจิตสุกเกิดระดับจิตทุกเกิดระดับจิตเฉยๆเกิดระดับหัดรู้หัดดูไปทุกวันนะซ้อมนะซ้อมรู้ซ้อมดูไปเรื่อยๆ เ, เ, เดี๋ยววันหนึงเข้าใจในจิตทุกดวงที่เกิดขึ้นดับทั้งสิ้นถ้าเราเข้าใจตรงนี้นะเราจะรู้ว่าโลกทั้งโลกเนี่ยเกิดระดับเพราะโลกนี้ปรากฏก่บเราด้วยจิตนี้เอง ตามมองเห็นก็พระจิตเห็นหูได้ยินเสียงก็พระจิตได้ยินแต่ตามองเห็นนะจิตเห็นแต่จิตอาศัยตาไปเห็นรูปจิตอาศัยหูไปฟังเสียงจิตอาศัยจมูกไปดมกลิ่นจิตอาศัยลิ้นไปรู้รสเนี่ยจิตอาศัยสัมผัสไปรู้ความเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวอะไรที่มากระทบร่างกายเนี่ยจิตเป็นคนรู้ถ้าจิตเองเกิดดับเกิดดับเกิดดับนะสิ่งที่จิตไปรู้ก็เกิดดับไปด้วยละ มันอยู่ตลอดเวลาไม่ได้เดี๋ยว ร, รูปที่เราเห็นนีก็เกิดดับเสียงที่เห็นก็เกิดดับเสียงที่ได้ยินก็เกิดดับนะเรื่องราวที่คิดเกิดดับไหมเรื่องราวที่คิดไม่มีสภาวะนะดูเกิดดับไม่ได้คิดได้ทั้งวันอะเหมือนไม่มีสภาวะธรรมสิ่งที่มีสภาวะทำเป็นรูปธรรมนามธรรมาเนี่ยเรื่องราวที่คิดไม่ใช่รูปธรรมไม่ใช่นามธรรมาานามธรรมเช่นความสุขความทุกข์เนี้ย สัง เ, เกต ด, ดับได้ความดีความชั่วโลภเกลีหลงเนี่เกิดดับได้เรื่องราวที่คิดนี่เป็นอารมณ์บัญญัตินี่คือารมณ์บัญญัติอารมณ์บัญญัติไม่มีไตรลักษณ์ให้ดูหรอกจะเห็นแต่ว่ามันมาแล้วก็ไปไหมมันไม่ใช่เราหรอกมันไหลไปตลอดเวลาไม่มีต้นทางไม่มีปลายทางสังเกตไหมว่าความคิดของเราเริ่มตรงไหนนึกออกไมคประคิดเริ่มตรงไหนมันก็ไหลไปทั้งวันอ่ะใช่ไหมเหมือนน้ําในแม่น้ําเจ้าขยา เราไปอยู่ที่ท่าน้ําสักแห่งหนึ่งนะเห็นมันไหลยอยู่ทั้งวันนะไม่รู้ต้นทางไม่รู้ปลายทางนะอารมณ์มันหยาดก็ไหลยอยู่งั้นหนะาสาระไม่ได้นะมันไม่เหมือนอารมณ์รูปน้ำนะงั้นให้หัดรู้รูปรู้นามรู้กายรู้ใจของตัวเองไปแล้วนะไม่จะเห็นว่ามีแต่เกิดแล้วดับเกิดแล้วดับค่อยๆหัดรู้หัดดูนะยากไปไหมวันนี้เมื่อกี้ก่อนจะเทศนะ์หลวงพ่อสังเกตดูพวกเราหน้าตาพวกเราเนี่ยซ้ํำซากมากในสายตาหลวงพ่อนะ ส่วนใหญเลยนะประเภทฟังแล้วฟังอีกฟังแล้วไปงอีกวันนี้เลยให้ฟังของยากๆหน่อยนะฟังแต่ของง่ายๆอันนี้เมื่อไหร่จะพัฒนาตอนนี้พัฒนาหัดดูจิตดูใจตัวเองให้ชํานี้ชํานานนะค่อยๆรู้สึกค่อยๆรู้สึกตอนนี้สุขหรือทุกยกมือซิใครสุขรู้สึกไหมว่าสุขเยอะ ก, กว่าแต่กี้แนละ้วใครยังทุกอยู่มีไหมใครทุกปวดเอือ่อรือ <laughs> นะบางคนแล้วทุกสีจ้านจะไม่ไหวแล้วนะใครเฉยเฉยเห็ไม่เฉยเฉยลดลงใจที่เฉยเฉยลดลงเสื้อลายล้วนอะลายหมักลูกอะพี่ว่าเฉยเฉยอะไปดูให้ดีนะมันสบายอกสบายใจแนละ้วยังบอกว่าเฉยเฉยอีกนะ <laughs> หัดรู้สภาวะนะหัดรู้มันไม่ใช่เรื่องยาก จิตใจเป็นสุขเราก็รู้จิตใจเป็นทุกข์เราก็รู้จิตใจเฉยๆเราก็รู้แล้วเราจะเห็นเลยจิตใจที่มีความสุขก็แปรปรวนนะเดี๋ยวสุขมากเดี๋ยวสุขน้อยเดี๋ยวสุขก็หายไปอย่าขนาดนี้เริ่มรู้สึกไหมที่พวกที่มีสุขแต่เกี้ยความสุขเริ่มกลับตัวเองอีกแล้วใช่ไหมเริ่มนิ่งๆขึ้นรู้สึกไหมเนี่ยหัดดูอย่างนี้ยมันมีแต่ของไม่เที่ยงนะเรียนรู้ตรงนี้แหละไม่ต้องไปเรียนที่ไหนเลยของง่ายๆแค่นี้เอง ถ้าเราเรียนรู้ต่อไปแล้วก็เข้าใจะเบื้องต้นก็เข้าใจไว้จิตทั้งหลายเกิดแล้วดับเข้าใจตัวนี้ตัวเดียวนะโลกนี้ไม่มีตัวตนนล้แล้วจิตไม่ใช่ตัวใช่ตนนะ้วมีแต่ของที่เกิดแล้วดับไม่ใช่ตัวใช่ตนแล้ววันหนึ่งข้างหน้านะปัญญาเราแก่กล้าแก่รอบขึ้นจริงๆนะเราจะเห็นว่าจิตคือตัวทุกตัวนี้เห็นยากนะแต่ถ้าวันใดที่เราเห็นว่าจิตคือตัวทุกนะไม่ใช่จิตมีความทุกนะตัวจิต ที่ไม่มีความทุกข์นี่แหละตัวจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่แหละมันคือตัวทุกข์ถ้าเห็นได้อย่างนี้นะโลกทั้งโลกที่เป็นตัวทุกข์เลยจะไม่มีที่ให้เกิดอีกต่อไปลวไม่มีที่จะอย่างเท้าลงไปตรงจุดใดในสามโลกธาตุนี้นะที่จะมีความสุขให้อาศัยอยู่ได้เลยงอยู่ที่จิตดวงเดียวนี่เองนะรู้ที่จิตละที่จิตนะพ้นลงไปที่จิตนี่เองไม่ค่อยๆฝึกนะไม่ใช่เรื่องยากอะไรหรอก เอาต่อไปก็ฝึกจิตของเราเอาหายใจไปรู้สึกตัวไปหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวแล้วก็รู้ทันจิตหายใจไปจิตเป็นสุขก็รู้จิตเป็นทุกข์ก็รู้จิตเฉยๆก็รู้เอาลองทําดูสักแป๊บหนึ่งเนี่ยใจลอยแล้วอย่างนี้เพ่งนะหลงไปใจลอยไปเนี่ยย่อหย่อนไปเพ่งเนี่ยตึงเครียดไป ให้รู้สบายๆ ย, ยิ้มหวานก่อนยิ้มแต่หน้าสังเกตไหใจของเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเห็น ไ, ไหมบางช่วงก็มีความสุขนะบางช่วงก็สงบบางช่วงก็ฟุ้งซ้านเห็นไหมเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนี่ยหายใจไปนะลราก็รู้ความเปลี่ยนแปลงของใจไปอันนี้ได้ทั้งสมาธิได้ทั้งปัญญานะ เวลาที่เราหายใจจิตจับอยู่ที่ลมหายใจเราได้สมาธิในขณะที่เราเห็นว่าจิตมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปได้เป็นไปเองเราได้ปัญญานี่เป็นวิธีที่เราจะใช้สมาธิกับปัญญาควบกันสําหรับคนที่ไม่ได้ชานคนที่ไม่ได้ชานพวกเราไม่ได้ชาญส่วนใหญ่งั้นเราถ้าจะใช้สมาธิกับปัญญาด้วยกันเนี่ยเรานั่งหายใจไปด้วยใจที่สบาย หายใจไปนะช่วงไหนมันฟุ้งซ่านเราก็ให้จิตเนี่ยเข้าไปแตะนะเข้าไปแตะอยู่ที่ลมหายใจให้สัมผัสที่ลมหายใจอย่าเข้าไปจับแรงๆนะถ้าจับแรงๆจิตจะแน่นถ้าจิตแน่นจิตไม่สงบอ่ละล้วแค่เหมือนกับรู้แตะๆนะรู้สบายๆรู้แผ่วๆอยู่กับลมหายใจจิตจะสงบแล้วก็รู้ไปเรื่อยๆนะแล้วพอใจมันหนีไปเรารู้ทัน หรือใจมันสุขใจมันทุกข์ใจมันสงบใจมันฟุ้งซ่านเราคอยรู้ทันจิตใจเป็นยังไงค่อยรู้ไปสบายๆพอจิตใจมันเฉยๆไม่มีอะไรจะรู้แล้วก็กลับมารู้ลมหายใจอีกตรงที่เรามารู้ลมหายใจเราได้สมาธิตรงที่เราเห็นความแปรปรวนของจิตใจเราได้ปัญญานะวันนี้เป็นบทเรียนที่ก้าวหน้ากว่าเก่าแล้วนะพอจะนึกออกไหมนะ ค่อยๆไปฝึกนะในวันหนึ่งสิบห้านาทีอะไรที่ว่านะั่นอะ่ะไม่ได้ฝึกกระจอ่อก่อๆแล้วนะเราเป็นเนี่ยฝึกหายใจไปนะหายใจไปเรารู้ทันใจช่วงไหนจิตฟุ้งซ่านก็รู้ลมหายใจไปด้วยใจที่สบายๆอย่าไปห่วงว่ า, ม, ามันฟุ้งซ่านมันตัวอะไรไม่รู้เรื่องแล้วมารู้ลมหายใจอย่างสบายใจอย่าลืมคําว่าสบายใจนะเคล็ดลับอยู่ที่ตัวนี้ ถ้ารู้ได้ความสบายใจจิตจะสงบเมื่อจิตสงบแล้วเราก็รู้ทันจิตต่อไปจิตสงบเราก็รู้สักพักหนึ่งมันฟุ้งซ่านเราก็รู้นะตอนที่มันสงบมันมีความสุขเราก็รู้มันฟุ้งซ่านไปจิตชาติจะทุกข์ละเราก็รู้นะจิตจะดีจิตจะชั่วคอยรู้เรื่อยๆถ้าฝึกอย่างนี้เรื่อยๆไปนะไม่นานก็เก่งนะใช้เวลาไม่มากหรอกแล้วตอนออกจากการปฏิบัติในรูปแบบนี้แล้วอยู่ในชีวิตประจําวันนะ ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์เราค่อยรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของจิตไปเราเป็นคนเมืองนะเราไม่ใช่ชาวไร่ชาวนาแบบอยู่ในทุ่งในอะไรซึ่งไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงรูปภาพที่เห็นกี่ปีก็อยู่เหมือนเดิมเงี้ยมันไม่มีอะไรเร้าใจแต่เราเป็นคนเมืองจิตใจเราถูกกระตุ้นตลอดเวลากระตุ้นทางตากระตุ้นทางหูทางจมงูกทางลิ้นทางกายทางใจถูกกระตุ้นตลอดนะั่นเรา ทำกรรมฐานเนี่ยอยู่ในชีวิตประจําวันแล้วเรารู้ทันความเปลี่ยนแปลงของใจตัวเองไปเราจะรู้ได้ดีถ้าเราตอนทําในรูปแบบเราได้ซ้อมที่จะรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของใจนะเพราะนั้นเราแบ่งเวลาไว้ทุกวันทุกวันนะไหว้พระสวดมนต์คิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงครูบาอาจารย์นะกอนจะชกมวยก็ยังไหว้ครูเลยนะเราก็ไหว้ครูเหมือนกันไหว้ครูเราลูกศิษย์มีครูแล้วเราไม่ใช่คนอนาถาไม่ใช่คนจอนจัด เราเป็นลูกมีพ่อมีแม่เป็นลูกศิษย์มีครูเราคิดถึงพระเจ้านะจิตใจเรามีความร่มเย็ยนเป็นสุขเราไม่ใช่คนว้าเวจิตใจเรามีความร่มเย็ยนเป็นสุขแล้วะเราก็มานั่งหายใจไปก่อนจะหายใจก็ยิ้มหวานสักที่หนึ่งก่อนนะยิ้มให้กับตัวเองว่าวันนี้ดีจังเลยนะอุตสา่ามานั่งอุตนะสานั่งสมาธิเสร็จแล้วก็พอยิ้มหวานหวานให้ใจผ่อนคลายแล้วนะก็รู้ลมหายใจ เห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูนะรู้ไปสบายๆถ้าจิตใจเกิดความสุขก็ขให้รู้จิตใจเป็นทุกข์ก็ให้รู้จิตใจสงบก็ให้รู้จิตใจฟุ้งซ่านก็ให้รู้เนี่ยมันจะสลับกันไปเรื่อยๆเนะมื่อทีมั น, มนดูจิตใจไม่ได้ละไม่มีอะไรให้ดูมันเฉยๆละก็กลับมารู้ลมหายใจเห็นร่างกายหายใจใหมนะ่ตอนที่หลวงพ่อหัดภาวนานะหลวงพ่อใช้วิธีนี้ด้วยนะ เราพอนั่งถ้าไม่ได้เข้าสมาธิลึกๆแล้วไปดูสภาวะข้างในนะอยู่ข้างนอกที่ยังลืมลมตาอยู่เนี่ยนั่งหายใจไปแล้วก็รู้ทันจิตใจจิตใจสุขจิตใจทุกนะจิตใจสงบจิตใจฟุ้งซ่านหัดดูไปได้อย่างนี้เราจะใช้เวลาไม่นานนะในการปฏิบัติแล้วเราทำในรูปแบบเนี่ยเป็นการซ้อมทำให้เรา ช, นชนานิชานาญในการดูจิตใจตัวเองต่อไป ไม่ได้เจตนาจะรู้เลยพอมีความสุขเกิดขึ้นก็รู้แล้วล่ะพอมีความทุกข์เกิดขึ้นมันก็รู้ได้เองแล้วล่ะนะพอมันโลภหล่นลงมันสงบมันฟุ้งซ่านเกิดขึ้นมันรู้ได้เองถึงตรงที่มันชํานาญแล้วเนี่ยออกมาอยู่ในโลกข้างนอกเนี่ยในขณะที่คนทั้งโลกเขาหลงกันนะเราได้ปฏิบัติในขณะที่คนทั้งโลกเขาหลงเราปฏิบัติอย่างบางช่วงเขามีบอล น, นะแล้วก็ดูบอลกยบ เ, เขาเขาเฮ่เฮ่นะ แล้วก็ขำบ้างขำบ้างก็ได้นะไม่ว่าไม่ใช่ดูแล้วก็ต้องทําอุเบกขาอย่างนี้นจะไป น, นอนสติกว่าเนี้ยดูชอบใจรู้ไม่ชอบใจก็รู้อะไรองี้แล้วเราจะขำนะไอ้เพื่อนเราที่นั่งดูทีวีดูถ่ายทอดโทรทัศน์ถ่ายทอดมวยนะมันเต้นแรงเต้นกาเนะี่มันเหมือนคนบ้านนะนั่นหมือนคนบ้านะเราก็ัวดร้อตามมันไปนะให้กลมกลืนแต่ใจเราเนี่ยจเจริญสติจเจริญปัญญาอยู่ไม่ขาดสายนะ ไม่ขาดสายที่หลวงพ่อฝึกมานะหลวงพ่ฝึกจนมันไม่ขาดสายนะตื่นนอนมานะีรู้สึกร่างกายรู้สึกจิตใจนะจะกินน้ําจะกินข้าวจะอาบน้ําจะขับถ่ายจะแต่งตัวจะนั่งรถจะทําอะไรนะรู้สึกไปเลยจะคุยกับคนคุยกับคนนะั้นต้องคิดขณะที่คิดเนี่ยรู้รูปนามไม่ได้ก็คุยไป มีเรื่องไม่พอใจเกิดขึ้นโทสะเราเกิดเรารู้ทันว่าโทสะเกิดเราก็เห็นโทสะเกิดแล้วก็ดับไปเป็นได้ดับได้แล้วพอปฏิบัติอย่างนี้นะมันคือการปฏิบัติอยู่ทั้งวันเลยมีอยู่คราวหนึ่งไปกราบครูบาอาจารย์นะไปส่งกันบ้านท่านอ่ะส่งกันบ้านเสร็จแล้วออกมาจากครูบาอาจารย์ตอนเย็นเดินในวัดเดินเล่นไปเจอพระอุปถากราอุปาถากร่างก็ถามว่าโยมปฏิบัติได้ยังไง พระปฏิบัติตอร์สิบปียี่สิปีโยมปฏิบัติไม่กี่ปีนะปีสองปีโยมทําได้เหมือนพระทำสิบปียี่สิบปีหลวงพ่อบอกท่านว่าหลวงพ่อบริบัติทั้งวันท่านก็งงว่าทำมาหากินแท้ๆปฏิบัติทั้งวันทําได้ไงเราแบ่งเวลาไว้ภาวนาในรูปแบบช่วงหนึ่งเท่านั้นเองนะช่วงเช้าช่วงกลางวันช่วงเย็นมีเวลาทํานิดหน่อยนะเวลาที่เหลือเนี่ยจเจริญสติอยู่ในชีวิตประจําวันเราเห็นความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของจิตใจอยู่ตลอดนะ เนี่ยพอเฝ้ารู้เฝ้าดูไปนะมันคือการฝึกอบรมใจของเราวันหนึ่งใจก็หายโง่แต่เดิมเนี่ยใจมันจะคิดว่าใจนี่คือตัวเราสังเกตไหมในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งไอนะตัวเนี้ยที่เรารู้สึกว่าเป็นเราก็คือจิตใจของเรานี่เองนะเป็นคนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นคนตัดสินใจเป็นคนทํำนั่นทํานีเน่เป็นผู้มีอํานาจมากมายทั้งๆ ท, ท, ท, ที่เราบังคับมันไม่ได้จริงเลยแต่ว่าอิทธิพลของมันมากนะ มันพาเราไปตายก็ได้นะพาเราไปเกิดก็ได้นะจิตดวงเดียวนี้เองเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าจะจัดการกับมันได้ไงจะอบรมมันได้ไงก็ใช้วิธีพามันดูอย่างนี้แหละพามันดูของจริงเรื่อยๆไปพอมันเห็นความจริงซ้ําแล้วซ้ํำอีกนะมันจะเห็นว่าจิตสุขจิตทุกข์จิตดีจิตชั่วเกิดแล้วดับหมดเลยจิตดูจิตฟังจิตได้กลิ่นจิตได้รสจิตได้สัมผัสทางกายจิตรู้อารมณ์ทางใจเกิดแล้วก็ดับหมดเลย เนีเฝ้าพามันดูไปเรื่อยๆนะถึงว่าหนึ่งมันก็ฉลาดขึ้นมารู้ว่าจิตนี้ไม่ใช่ตัวเราจิตนี้มันไม่ใช่ตัวเราหรอกนมันทํางานของมันได้เองมันจะสุขหรือมันจะทุกข์เราเลือกไม่ได้มันจะดีหรือมันจะชั่วเราเลือกไม่ได้นะแล้วเราก็บังคับไม่ได้ด้วยเวลามีความสุขเราสั่งให้อยู่นานๆก็ไม่ได้เวลามีความทุกข์สั่งให้หายเร็วๆก็ไม่ได้นะเวลามันดีสั่งให้ดีตลอดก็ไม่ได้เวลามันจะโลภโกรธโกรธละห้ามมันก็ไม่ฟังน โกรดขึ้นมาสั่งให้หายก็ไม่หายอีกนะทํำอะไรไม่ได้สักอย่างเลยมันไม่ใช่ตัวเราพอปัญญามันแทงตลอดลงไปนะว่าจิตไม่ใช่ตัวเราแล้วเนี่ยโล ก, กธาตุนี้จะไม่ใช่ตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่เป็นตัวเราอีกแล้วเพราะศูนย์กลางของโลกก็คือจิตดวงเดียวนี่เองงั้นถ้าตัวตรงกลางนี้นะไม่ใช่เรานะทั้งหมดนี้จะไม่ใช่เราอีกต่อไปแล้วมันแตกหักกันโลงตรงนี้เองนะแล้ววันหนึ่งภาวนาไปเรื่อยนะจะเห็นว่าจิตนี่คือตัวทุก์ ถ้จเป็นตัวทุกข์สักตัวเดียวนะโล ก, กระทัทั้งหมดคือตัวทุกข์นะจิตปล่อยวางจิตสักตัวเดียวนะก็คือปล่อยโลกทั้งโลกเลยจนะยไม่ยึดอะไรอีกเลยเฉั้นถ้าเราพอนานะสติปัญญาเรามากพอเราเรียนรู้จิตของตัวเองไปนะเรียนรู้หายใจไปรู้ทันจิตไปหายใจไปรู้ทันจิตไปช่วงไหนดูจิตได้ก็ดูดูจิตไม่รู้เรื่องก็เห็นร่างกายหายใจไปฝึกนะอย่างนี้มากๆนะเบสิกเลยก็คือศีลห้าไว้ แลก็ฝึกในรูปแบบหายใจไปรู้ทันจิตไปถ้ารู้ไม่ได้ก็รู้ลมหายใจเห็นร่างกายหายใจแล้วในชีวิตประจำวันรู้ทันจิตไปถ้าฝึกได้อย่างนี้นะใช้เวลาไม่นานเราก็จะเข้าใจสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนจริงๆแล้วขันห้าไม่ใช่ตัวเราร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกมันเหมือนเปลือกเหมือนถ้ำที่จิตอาศัยอยู่เท่านั้นเองเป็นเปลือกเป็นถ้าเป็นโพรงนะ แล้วก็คลอนแคลนตายง่ายแตกดับง่ายร้อนไปก็ตายหนาวไปก็ตายหิวไปก็ตายอิ่มไปก็ตายนะหายใจไม่ออกก็ตายหายใจไม่เข้าก็ตายกินไม่ได้ก็ตายถ่ายไม่ออกก็ตายเนะี่ยดูไปนะไม่มีสาระเลยในร่างกายมีแต่ความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเลยความรู้สึกสุขทุกข์นะก็ไม่ใช่ตัวเรามันจะมีหรือมันจะไม่มีมันจะสุขหรือมันจะทุกข์ เลือกไม่ได้ความจําได้หมายรู้ไม่ใช่ตัวเราตั้งใจจะจําก็ลืมลืมไปแล้วก็จําขึ้นมาอีกนะเคยไหมของที่ลืมไปนานแล้วอยู่ๆก็จําขึ้นมาได้นะแปรตัวนไปเรื่อยๆบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเรานะหรือจะดีหรือจะชั่วเนี่ยสั่งไม่ได้เลือกไม่ได้ไม่ใช่ตัวเรานะตัวจิตเองเนะี่ยจำเพี้ยงไปรู้รูปหรือได้ยินเสียงหรือจะวิ่งบิคิดเลือกไม่ได้ไม่ใช่ตัวเรา เี่เรียนรู้ลงมาสุดท้ายมันก็แจ้งนะขันห้าไม่ใช่ตัวเราแต่ถ้าแจ้งจิตตัวเดียวว่าจิตไม่ใช่เรานะขันห้าจะไม่เป็นเราอัตโนมัติไปเลยเพราะอะไรส่วนที่เหลือนั้นเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าทั้งสิ้นเลยนะถ้ากระทั่งไอ้จิตที่เป็นคนรู้ไม่ใช่เราเลยของที่ถูกรู้จะเป็นเราได้ไงนะขาดกันง่ายๆนี่เองเงนั้นจิตนะเป็นอนัตตาแปรปรวนโดยที่เราบังคับไม่ได้ แต่จิตเป็นธรรมชาติที่ฝึกอบรมได้ฝึกอบรมโดยการพามันเรียนรู้ความจริงไปพอมันรู้ความจริงซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกนะถึงว่าหนึ่งมันเข้าใจแจม่มแจง้งถ้าพวกเราบางคนฟังหลวงพ่อครั้งแรกๆจะงงนะอดทนนิดนึงไปฟังซีดีไปดู YouTube แล้ววัฏฏะของเราจะสั้นลงคนที่ภาวนาฟังหลวงพ่อสอนนะชีวิตจิตใจเปลี่ยนไปมากมายจนนับไม่ท่วแน่นะ เราคงไม่โง่ถึงขนาดเปลี่ยนตัวเองไม่ได้เราเราพัฒนาได้จิตมันเป็นของพัฒนาได้ถ้ารู้วิธีที่จะพัฒนาอันนี้ก็สอนให้พัฒนาจิตใจของตัวเองนะค่อยๆเรียนรู้ไปมันจะวิจิตพิสดาลแค่ไหนก็ค่อยๆเรียนไปเดี๋ยวก็เข้าใจมันมันเข้าใจเบื้องต้นก็คือมันไม่ใช่เราเข้าใจเบื้องปลายก็คือมันคือตัวทุกขนะ์ถ้าเข้าใจอย่างนี้ก็คือหลุดจากโลกแล้วละ่ะหลุดโลกไม่ใช่บ้านะ ลโลกเนี่ยจะรู้เลยโลกนี้มีแต่คนบ้าในโลกนี้โลกของคนหลงพระดยัตเจ้าทั้งหลายท่านพ้นออกไปแล้วท่านไม่หลงท่านไม่ถูกโลกนี้เสียดแทงอีกต่อไปแล้ะมีความสุขสิ่งที่เราจะได้มานะคือสันติสุขที่ไม่มีอะไรเหมือนเลยสภาวะที่สันติคือตัวพระนิพพานนั่นเองสันติสงบ สงบจากกิเลสสงบจากความปรุงแต่งสงบจากทุกสงบจากการยึดถือหยิบฉวยสิ่งต่างๆเป็นอิสระอย่างแท้จริงมีความสุขอยู่ในตัวของตัวเองอย่างแท้จริงนิพพานเป็นบรรมสุขนะไม่มีอะไรเหมือนนิพพานเป็นสันติเป็นความสงบที่ไม่มีอะไรเหมือนความสันติอย่างสันติภาพในโลกเห็นไหมอยู่ไม่ทนนรไม่เหมือนพระนิพพานนะอยู่ทน ก่อการร้ายไม่ได้หรอกนะแล้วผู้ก่อการร้ายมันยึดอยู่ก่อนนะตอนนี้ผู้ก่อการร้ายมันยึดใจเราอยู่นะดูออกไหมตัวไหนบ้างอาวิชชาตันหาอนะู้ป่าตันกิเลสทั้งหลายนะั่นฉีกคอเราอยู่ฝึกนะเดี๋ยววันหนึ่งก็เข้าใจชีวิตจิตใจเราจะเปลี่ยนในเวลาไม่นานเบืองคนเดือนสองเดือนก็เริ่มเปลี่ยนละ เงนเรียนกับหลวงพ่ออดนทนนิดนึงคนไหนใหม่ๆฟังไม่รู้เรื่องไปดู YouTube ไปฟังซีดีซ้ำาๆสักเดือนสองเดือนก็เข้าใจแล้วล่ะแล้วชีวิตจิตใจจะเปลี่ยนล้วจะรู้คุณค่าของพระพุทธศาสนาน ะ, ะส่งกันบ้า น, นกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าคะ่ะครั้งสุดท้ายที่โยมส่งการบ้านกับหลวงพ่อเมื่อเดือนสิงหาเจ้าคะ่ะครั้งนั้นเนี่ยก็ปัญญาก็เดินดีอยู่ เราสามารถภาวนาได้ทั้งหลับและตื่นแต่เป็นระยะเดียวมันก็นิ่งเฉยจะมีบางครั้งที่ไปทําบุญอย่างไปทอดกรถิ่นหรือไปยกช่อฟ้าเพื่อว่าได้ไปทอดกรถิ่นแล้วก็ยกช่อฟ้าปิติก็จะกเกิดขึ้นก็จะเห็นว่าปิติก็เป็นอีกตัวหนึ่งจิตที่เข้าไปรู้ปิติก็เป็นอีกตัวหนึ่งถูกถกแล้วก็ปิติก็ไม่ใช่เราจิตที่ผู้รู้ตรงนี้ก็ไม่ใช่เรา แต่ก็คือหมายถึงว่าต้องมีอารมณ์งแรงอันนี้เกิดขึ้นมาแต่หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็นิ่งเฉยเอย่าให้ติดนิ่งติดเฉยนะมันนิ่งไปมันนิ่งไปใช่มมันนิ่งเป็นประคองตัวรู้ไว้ประคองไว้นิ่มๆประคองไว้เงี้ย <S <S อยู่อย่างนี้มันเดินปัญญาน้อยไป <S <S มันจะเฉยเฉยอย่าให้ติดเฉยนะถ้ามันเฉยเนี่ยพิจารณาร่างกายเลย ผม ค, คนเล็บฟันหนังเลื้อเอ็นกระดูกนะแต่ละส่วนไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราอะไรก็ว่าไปจิตอยากเสื้อนออกมาจะจิตอยากเสื่อนออกมา ม, มันจะมาเดินปัญญาต่ อ, อะะคปกติเวลาจิตมันเดินปัญญามันจะเดินเป็นช่วงๆแลอวก็วกกลับเข้าไปทําสมาธินี่พอมันวกเข้ามาเราไปติดสมาธิซะแล้ว อ, อย่างนี้จิตติดสมาธินะจะเป็นเพราะว่าโยมไปไปเคร่งเอากับในรูปแบบมากไปหรือเปล่าคะจงใจมากไป ทำในรูปแบบไม่ได้ทําให้ติดหรอกแต่จงใจทํานั่นแหละทําให้ติดดลงความผิดไม่ได่อยู่ที่ทําในรูปแบบนะเป็นสิ่งที่ควรทําแต่ไม่ใช่จงใจยังงั้นถ้ารู้สึกนิ่งก็คือหันกลับมาดูาดารูปกายเล ย, เลยดูกายเลยนะคะมาแยกเนื้อแยกหนังแยกกระดูกเลยเนี่ยให้จิตมันเคลื่อนไหวไม่งั้นรอยกชอบฟาแล้วจิตถึงจะเคลื่อนไหวจิตจิ้ไปยกได้บ่อยที่ไหนอะ่ะ ชอบฟ้าไม่ได้มีให้ยกประจำเนี่ยใช่ยกมสังเกตตั้งแต่ส่งการบ้านหลวงพ่อครั้งครั้งสุดท้ายเมื่อเดือนสิงหาไปสักเดือนกว่าๆผ่านไปเนี่ยค่ะจิตมันก็เริ่มเฉยเริ่มติดนิ่ง<ะ>ติดเฉยนะบางจงใจปฏิบัติเยอะไปหเ<ะ>ป็นติดเฉยคืออยากมากเกินไปใช่ใช่ใช่อ่ะต่อไปอการเจ้าค่ะ ครับมนมาส ก, การหลวงพ่อครับผมพ็ปกติก็ฟังซีดีบ้างแล้วก็ระหว่างวันจะรู้สึกตัวก็จะดูลงหายใจแล้วก็พุทโธตามไปเงี้ยก็รู้ๆลงๆสลับกันนะครแต่มันเหมือนกับว่าวันๆเนี่ยมันก็อยู่แค่เนี้ยรแบบรู้ตัวแล้วก็หลงแล้วก็หมดวันไปไม่ค่อยมีอะไรเพิ่มมาครับมีอะไรเป็นวิหารแะทำหรือครก็ส่วนใหญ่ก็าหายใจครอบเราเทําซีหายใจก็หายใจได้ดีนะแต่ว่า เวลาที่เราทำงานที่คิดเนี่ยมันทำไม่ได้นะอี่ยเวลาเราทำงานที่ต้องใช้ความคิดวันหนึ่งหลายหลาชั่วโมงช่วงนี้ต้องตัดออกเลยแต่ถ้าทำงานไปแล้วเกิดกิเลสเนี่ขี้เกียจขึ้นมานี้ให้รู้เอางั้นอย่างบอกว่าวันหนึ่งวันหนึ่งไม่ค่่ยจะรู้สึกต้องดูก่อนว่าเพราะอะไรถ้าเพราะไปคิดเรื่องงานเนี่ยอันนี้เป็นปกติแต่ถ้าลักษณะที่ว่าใจไม่มีกาลังน่เป็นอีกแบบหนึ่งนะ รู้สึกไม่ใจไม่ค่อยมีแรงครับพผมไม่ค่อยได้ทำเต็มรูกต้องทำไม่งั้นไม่มีแรงพอแรงตกเนะี้ยมันดูไม่ได้จริงละทพี่ว่าดูจิตดูจิตนะก็ต้องใช้สมาธินะจิตต้องตั้งมัน่นถึงจะดูจิตได้ถ้าไม่มีความตั้งมัน่นดูกายก็ไม่ได้ดูจิตก็ไม่ได้นะทาในรูปแบบนะบใส่ใจให้เยอะขึ้นหน่อยแต่ จ, จะได้เข้มแข็งมีแรง การปฏิบัตินะั้นะในภาพรวมใช้ได้นะขันแยกเป็นธรรมชาติรู้สึกต่างอ๋อก็รู้สึกตัวแต่ไม่รู้ว่าอย่างนี้มันแยกหรือเปล่าเออมันมันมันโคาลันกันอยู่แล้วร่างกายกับใจมันก็โคราลันกันะความรู้สึกแต่ใจมันก็โคราลันกันไม่ก็ใหญ่นะก็เรียกว่าแยกแล้วเห็นไหมจิตวิ่งมาอยู่ที่หลวงพอ่อใช่ฮะนะเห็นไหมวิ่งมาที่หลวงพอ่อแล้วก็ฟังฟังแล้วก็คิดสลับไปสลับมาแต่ตัวนี้ดูยากนะ ต้องสมาธิดีๆหน่อยรือจะเห็นดะงั้นทำในรูปแบบแล้วก็รู้ทันจิตใจไปถ้าไม่ทำเลยไม่มีแรงตอนนี้แรงตกข อ, ขอบคุณค่ะไม่ได้มีปัญหาอื่นหรอกมันไม่มีแรงกรามบัสกาหลงพ่อค่ะหนูทำสมาธิไม่เป็นแล้วก็เมื่อทิตที่แล้วหนูลองทำหนูลองลอกหนัง ตั้งแต่ศีรษะไป<ม>ลอกกระโหลกไปจนถึงปลายเท้า<ม>แล้วเห็นกระดูกมันใสเราก็ไล่จิตลงมาเรื่อยๆจนถึงปลายเท้าค่ะ<ม>แล้วหนูก็สับแขน<ม>ขาผ่าซี่<ม>ตัดคอออก<ม>แล้วก็ลองไล่ให้เข้ามารวมเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่ง<ม>เป็นโครงกระดูกก็เห็นลมหายใจมัน ไหลเข้าไหลออกฟูๆจากโครงกระดูกเป็นแสงสีขาวแล้วก็มองว่ามันกายมันไม่มีมันไม่มีอะไรเลยหนูก็ลองเผาไฟค่ะเผาตั้งแต่หัวลงไปถึงปลายเท้าแล้วมันก็ลงเป็นขี้เท้าไปกองกับพื้นมันไม่มีเราไม่มีกายเลยแต่ใจอานะมันอ่อนแอไปนะพอสลายกายไปแล้วเข้ามาที่จิตน ะ, ะมารู้ทันจิตใจของเรา อย่าให้จิตมันเคลิบเคลิมไปของหนูที่ผ่านมาเนี่ยจิตมันชอบอินนะชอบอินชอบเคลิมชอบอะไรอันแล้วอย่าปล่อยนะถ้าไล่สลายกายไปหมดแล้วใจเด่นดวงขึ้นมารู้สึกตัวอยู่นะพอกลับมามีร่างกายแล้วเห็นไหมกายกับใจคนละรู้สึกไหมว่าสมาธิเราดีขึ้นดีขึ้นเยอะเลยค่ะลูกพ่อที่หลวงพ่อให้แยกกายให้ฉีกเนื้อฉีกหนังนั่นคือหลักของสมาธิอย่างหนึ่งนะค่ะมันเหมาะกับหนู ไปทําอีกแล้วพอร่างกายหมดนะ้ำ mm hmm. เผาไม่เลยเพียงที่เท่าลมพัดขี้เท่าฟิวไปหมดอีกเหลือแต่จิตอันเดียวนะ mm hmm. พอออกจากสมาธิมาแล้ว mm hmm. เห็นเลยกายกับใจมันโคนละอนกัน <c oughs> กายมันก็ทํางานของมันไปใจมันก็ทํางานของมันไปจนะก็เดินปัญญาต่อหนูเห็นจิตอยู่แต่กายมันแตกออกไปแล้วก็ <c oughs> มันพี่มันไม่มีอะไรแล้วหนูก็เลยถอยออกมาพอถอยออกมาปุ๊บลุกขึ้นเดินไม่มีเรา <c oughs> กายไม่มีแล้วมันก็แปลกแปกเออกายไม่มีเราหรอก<ช>นะแต่ว่าจินเป็นเราอยู่ใช่ค่ะอนะย่างดีที่รู้นะพอ ค, คนเผาไปหมดแล้วนึกว่าเป็นผ้าโสดาไม่ได้เกี่ยวกับโสดาเลยเป็นเรื่องของสมาธิรู้ตัวตลอดเลยค่ะหลวงพ่อดีอย่าง น, นี้ดีขึ้นนะแล้วเราอย่าไปสร้างพบขึ้นมาพบหนึ่งที่ผ่านมาเราชอบสร้างพบของนักปฏิบัติพบที่ทําให้ดูดีๆรู้สึกเปล่าค่ะเออต้องทลายพบเนี้ออกไปเลยอยเชื่อมันอย่าไสร้างมันขึ้นมา แใจแข็งๆไว้ทำต่อไปเรื่อยๆนะคะใช่แต่อย่าให้จิตไปติดอยู่ในภพที่เพลินๆสบายๆเออๆหน่อยๆอะไรเงี้ยขณะที่ขณะ <คำ S 1> ที่ททเรากําลังเผาอยู่นี่หรือว่าขณะที่ดูกระดูกนี่ก็ให้รู้สติตรงนั้นไม่ไม่ขาดสตินะว่ารู้สึกตัวไปค<ห>่ะนะแต่ว่าตอนที่เลิกปฏิบัติแล้วออกมาอยู่กับโลกข้างนอกเนี่ยให้สังเกตเลยจิมชอบไปสร้างภพภพบที่ทําให้ดูดีๆเป็นนักปฏิบัติอนะ ไปใส่เกตตัวนี้นะตัวนี้เกะขวางทางเราพระตัวนี้หลุดเรา ส, าสบายกว่าเนี้ยอยู่ข้างนอกเนี่ยเราพอนานได้นะรู้สึกว่ามีกําลังเยอะขึ้นมากค่ะดีสอนให้ทําก็ทํำน่าไม่ดือ้อมันก็เจริญเองแหละกราบเจ้าค่ะหลวงพ่อหลวงพ่อก็เคยเล่นแยกกายแยกอะไรจนมันระเบิดหมดเลยนะค่ะเสดไลฟ์มันกลายเป็นแสงกระโดดขึ้นแตกเป็นเม็ดเล็ก ดูต่อไปมันกลายเป็นแสงแสงเป็นคลื่นนะคลื่นเพเป็นจุดเล็กๆๆเ ล, เ ล, เลสลายไปเหลือแต่จิตดวงเดียวเมือมีจิตดวงเดียวแล้วเถอยออกมาเนี่ยกายทำงานก็มองเห็นนะจิตทำงานก็มองเห็นนะคนละอันกันรู้สึกไหมใจมันโล่งๆแตกไปใช่ค่ะใช่สิสนุก อ, ออกสนุกแต่อย่าไปติด น, นะ ถ้าเราขาดสติทีเดียวผิดมนุษย์มานาไปเลยหนูเลนมากราบเรียนหลวงพ่อว่าหนูจะทำต่อไปได้ไหมกลัวผิดอย่าให้อย่าให้จิตไปติดในภพก็แล้วกันค่ะภพที่เราสร้างขึ้นเองเพราะว่าเราเป็นนักปฏิบัติค่ะดีพระน่าเก่งขอบพระคุณค่ะกราบนมัส ก, การหลวงพ่อแล้วก็ขอขมาหลวงพ่อด้วยครับทุกันนี้อยู่กับลมหายใจครับแล้วก็ ก็คือเห็นโทรศัเห็นราคะบ่อยมากครับใช่ได้ครับแต่ไม่แน่ใจว่าไปกดไวหรือเปล่าครับเพราะว่าบางทีเห็นแล้วไม่รู้จะทําอะไ ร, รไม่ต้อง ไ, ไม่ต้องทําอะไรนะรกดหรือไม่กดเราเสังเกตง่ายๆเลยถ้าเรากดเมื่อไหร่ใจมันจะอึดอัดใจมันจะแน่นๆนถ้ารู้มันไปสบายเห็นราคาโทรศัมืห้าศักดิ์เลยว่ารู้ว่าเห็นนะใจมันจะไม่อึดอัดครับ <นะ S 1> แล้วก็จะเห็นมณนะ อัตราตัวตนบ่อยมากครับหลวงพ่อแค่เดินสวนกันหรือว่าแค่ขับรถสวนกันก็ขึ้นแล้วครับโก็เก่งครับก็ดูต่อไปใช่ไหมใช่แสงเจดไม้มันขึ้นได้เองครับนะมันเกิดดับมันขึ้นได้เองเนี่ยเรียนรู้มันไปเรื่อยๆนาใช้ได้นะครับแล้วมีอีกเรื่องหนึ่งที่สงสัยครับหลวงพ่อก็คือเคยเคยฟังที่หลวงพ่อเทศว่าบางคนผผมเองด้วยครับก็คือมี จิตนะครับชอบปรุงเรื่องที่ไม่ชอบอครับหรือปรุงให้ตัวเองกลัวหรือว่าปรุงอารมณ์บ่อยมากครับแล้วก็เคยได้ยินหลวงพ่อเคยเคยเจอปัญหานี้เดียวกันนะครับกับคนอื่นที่เคยส่งกันมาหลวงพ่อว่าเป็นเป็นกรรมกรรมกรรมเล็กๆหรือกรรมเบาๆอะครับ <c oughs> แต่ว่าเมื่อกี้หลวงพ่อเทศว่าความคิดมันมันดูเป็นดูเป็นสภ า, สภาวะธรรมไม่ได้หรือเปล่าครับตัวเรื่องเราที่คิดเนี่ยไม่มีสภาวะนะแต่อาศัยความคิดเนี่ยมันเกิดสภาวะเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วขึ้นได้นะ เราก็รู้่านมีสุขมีทุกข์โลภโกรธหลงอะไรค่อยรู้เอาตัวนี้เป็นสภาะวะนครับแต่ตัวความคิดเนี่ยมันล่องลอยอืมันจับไปไม่ถูกเลยถ้าอย่างนั้นตัวอปุสสนั้นมาก็แค่รู้ว่าเผยไปแค่นั้นใช่ใช่ น, นะโกรธขึ้นมารู้ว่าโกรธหลงรู้ว่าหลงฝึกใช้ได้นะแบบนี้พื้นหน้าขี้โมโบอยู่ครั บ, บ, รบดีสนุกดีพาวนานดีขึ้นเยอะเลยรู้สึกตัวพวกเรา ถ้าดีกว่าเมื่อสามสิบปีก่อนนะครับรู้สึก<ช>ถูกแล้วล่ะธรรมะของผู้ธเจ้าอัศจรรย์นะเราเปลี่ยนตัวเราได้อย่างอัศจรรย์เลยโดยที่เราไม่ได้บังคับมันเพาเราบังคับไม่ได้เรารู้อย่างที่มันเป็นเราวเราเปลี่ยนต่อไปพ่านนี้นะยายหลวงพ่อบอกว่าสามคนนี้ก็ภาวนาดีขึ้นนะจะได้ไม่เครียดรอโซ่กันว่านเครียดสองคน<อ>นั้นได้หรือ ออว่ามาวันนี้มีความสุขเพราะว่าไรา่อธิษฐานเป็นจริงเมื่อเช้านี้ตอนที่ปฏิบัติในรูปแบบเนี่ยตั้งจิตอธิษฐานว่าครั้งนี้ขอให้ได้กราบหลวงพ่อขอบพระคุณด้วยตัวเองสักครั้งหนึ่ง <c oughs> ค่ะแล้วก็ได้มีโอกาสนี้เออฟังศีดีหลวงพ่อมากับสิบปีแล้วที่สาระจีนพร้อมกับลกูกเด็กปฏิบัติอย่างจริงจังจนกระทั่งปีที่แล้วตั้งจิตอธิษฐานกับตัวเองว่า จะปฏิบัติต่อเนื่องเมื่อตั้งแต่เริ่มเข้าพรรษาแล้วก็นา บ, บัตรนี้ก็ปฏิบัติสามสามอย่างที่หลวงพ่อเมตตาไว้เธอสินห้าปฏิบัติในรูปแบบแล้วก็รู้ตัวพ่อหลังเนี้ยรู้ตัวนี่ทํายากค่ะเพราะว่าระหว่างทํางานเนี้ยถ้าว่างจากงานก็เปิดซีดีก็เลยไม่ไม่ทราบว่าตัวเองจะพัฒนาตัวเองแบบไ้เรื่องรู้ตัวเนี้ยค่ะยากจริงเข็นกินเลสบ่อยไหมล่ะ เห็นค่ะเออถ้ายังเห็นกิเลสอยู่ยังใช้ได้นะถ้าภาวนาแล้โล่งโล่งว่างๆไม่มีกิเลสเนี่ยอาการหนักเลยเห็นความอยา ก, กน<ะ>่ารักความอยากพอดีบางครั้งลูกก็เตือนค่ะหลวงพ่อลูกบอกแม่เห็นไหมเห็นความอยากหรือเปล่าคือลูกก้าวหน้ากว่าเยอะอะค่ะของโยมนะไปดูตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะที่บอกว่าลูกก้าวหน้าแต่สังเกตไหมเรารู้สึกเราเก่งนะมันมีเราเก่งด้วยนะเอีมันซ่อนอยอะ ค่อยๆรู้กันไปคะภาวนาเก่งจริงๆนั่นแหละขอบคุณหลวงพ่อคะ่ะคําเทศของหลวงพ่อแบนี้ตอบคําถามในใจได้เยอะเลยค่ะภาวนามันไม่มีอะไรหรอกเราคอยรู้ทันนะรู้ทันใจของตัวเองใจเราเนี่ยถ้าเราไม่รู้ทันนะกิเลสมก็เอาไปกินเท่านั้นเองเรารู้ทันนะกิเลสมันระดับไหนนะทีแรกเราก็ารู้กิเลสห ย, ยาบๆก่อนต่อมากิเลสนค่อยละเอียดละเหอียดขึ้น อย่าตรงกูเก่งเนี่ยดูยากแล้วนะกิเลละเอียดมันจะแอบแฝงอยู่ในทุกท ก, การกระทําของเราเวลาคิดมันก็คิดมีกูนะเวลาจะทำอะไรก็เซิฟสนองความมีตัวเราอยู่เรื่อยๆกระทั่งเวลาภาวนานะยังสนองความมีตัวเราเลยนะลเนี่ยเาจะค่อยๆเรียนค่อยๆเข้าใจมันไปสุดท้ายเราก็จะเป็นอิสระจากมันนมัส ก, การหลวงพ่อค่ะส่งกันบ้านครั้งที่สองค่ะครั้งแรกพฤษภาปีที่แล้ว หลวงพ่อบอกว่าออมันค่อยพัฒนาขึ้นแล้วเริ่มเป็นขึ้นแล้วค่ะ mm hmm. แล้วก็หลวงพ่อเตือนเรื่องนิมิตแต่ช่วงนั้นก็ไม่ค่อยรู้จักนะคะว่านิมิตคืออะไรแล้วพอสักพักมันก็เริ่มเห็นขึ้นมา mm hmm. แต่ก็คำที่หลวงพ่อเตือนเอาไว้มันก็ผุดขึ้นมาสอนอยู่เรื่อยๆค่ะ mm hmm. ก็เลยไม่ได้ไปสนใจอะไรดีแล้วละ่ะค่ะ แล้วช่วงที่ผ่านมามันเห็นตัวสับไพ่ยอยู่ตัวหนึ่งมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับจนมันทุกข์มากเลยค่ะแล้วตัวอะไรนะอมันมันเหมือนมันเข้าไปติดเกิดดับอยู่ตลอดเวลาแล้วตอนแรกมันวางไม่ได้นะคะ่ะสักพักก็อ้าช่างมันก็อนันตา แล้วก็ปล่อยเขาไปค่ะก็รู้ว่าเขาเป็นอนาตตาแล้วก็หายไปแล้วก็ที่ผ่านมาสิ่งที่มันแสวงหาอิสรภาพค่ะแล้วมันหาไม่ค่อยเจอแต่ตอนนี้มันเริ่มรู้แล้วไม่ว่าจะทำได้หรือไม่ทำไม่ได้ก็ขอให้เป็นอิสระจากทำให้กิเลสตัณหาป่าทานเบาบางลงคิดแค่นี้ค่ะแค่นี้ดีแล้วล่ะนะแลอถึงเวลามันก็ทลายลงขังออกไปเอง ได้มองเห็นไหมว่าจิตถูกขังอยู่ถูกค่ะดูออกใช่ไหมดูออกค่ะแล้วโครงขังนี่นะแข็งแรงมากเลยไม่มีอะไรทําลายมันได้นะหลวงปูดุลเคยสอนหลวงพ่อบอกว่าตัวที่ทําลายได้มีแต่ตัวอริยมรรคนะอริยมรรคครั้งแรกทลายมันแตกออกไปแล้วมันก็กลับมาอีกครั้งที่สองก็แตกแล้วก็กลับมาครั้งที่สามก็กลับมาเราซืบสีส่ครั้งนะถึงจะสลายไปแต่อยู่ๆไปสั่งให้มันแตกมันไม่แตกแมันแข็งแรงมากเลยทําไม่ได้ค่ะ ทำไม่ได้จนรู้ว่าทําไม่ได้นั่นแหละถึงจะทาได้ถ้ายังคิดว่าจะทําให้ได้ทําไม่ได้หรอกไปทําอีกไหมภาวนาดีแต่ว่าถ้าเราภาวนาแล้วมันเหน็ดเหนื่อยนะก็ทําทความสงบนะสงบไม่เป็นก็ไหว้พระสวดมนต์เลยที่ถึงพระพุทธเจ้าไปนมันมีความไหน้าหลักของตัวเองคือบางทีมันรู้ว่ามันเข้าสมาธิได้มันแอบเข้าไปนอนเลยคะ่ะไม่เป็นไรถ้าให้มันเข้าไปพักเป็นช่วงๆใช้ได้นะ มีประโยชน์ไม่ใช่ไม่มีประโยชน์แต่เข้าไปแล้วติดอกติดใจไม่ยอมเดินปัญญายให้รู้ทันเลยว่าติดแล้วจิตก็จะไม่ติดสมาธิก็เดินปัญญาต่อการเดินปัญญารวดเดียวเลยไม่ทําสมาธิเลยเนี่เหนื่อยเกินไปมันรัวเผาอยู่ข้างในค่ะได้แหละมันจะทุกอย่างเดียวนะมันแห้งแล้งไปเนั่นเราให้จิตมันเข้าสมาธิเป็นระยะระยะด้วยถ้าเข้าได้ก็เข้าสมาธิแต่ว่าไม่ให้ติดมันเท่านั้นแหละ รู้หรื อ, อยังว่าจิตเวลาจิตที่เข้าสมาธิก็เป็นพบพบหนึ่งเห็น ไ, ไหมเนี่ยพอปัญญามันแก่กล้านะรู้ว่าสมาธิจิตไปทรงฌานทรงอะไรอยู่ก็เป็นพบพบหนึ่งนะเนี่ยพอปัญญามันล้ําหน้านะมันไม่ยอมเอาพบนี้เลยเนี่ยปัญญามันมากไปเนะมันไม่ยอมพักเอนะเราก็น้อมใจเห็นพบก็ไม่เป็นไรมันแต่ว่าเหมือนอย่างเราทํางานเนี่ยร่างกายมันเหน็ดเหนื่อยเราก็ต้องพักจิตเมื่อเดินปัญญาไปมันเหน็ดเหนื่อยมันก็ต้องพักเหมือนกันนะ ถ้าไปฝืนมันมากไปมันแห้งแรงไปมันมีสภาวะเดี๋ยวนี้เขารัดหัวมากอะไรนะมันลัดที่หัวมากอะค่ะแต่แต่แต่ก็ดูเขาไปเฉยๆก็ไม่ได้ตกใจไม่ได้มันรัดค่ะอ๋อเดี๋ยวไปถามคุณมาลีนะค่ะวันนี้รู้จักคุณมาลีไหมเคยพบคุณมาลีครั้งนึงนะมันแก้ได้ไม่ยากเลยหรอกเวลาเราภาวนาดีๆมันมันแกล้งไม่ต้องตกใจนะ เ็มีเศษกรรมของเราเล็กๆน้อยๆบางคนนั่งสมาธิพอจิตจะรวมเหมือนมดมาไตอะไรเงี้ยไม่มีมดจริงสักตัวหนึ่งบางทีเหมือนถูกเสียบถูกแทงอะไรเงี้ยมีวิบากนิดนหน่อยๆน่อที่หัวถูกรัดปวดหัวไปเลยไม่ยากหรอกขอบคุณหลวงพ่อค่ะขอบพระคุณค่ะกลับนามืสการหลวงพ่อครับเมื่อก่อนปีใหม่นี้ได้เห็นจิตไหลไปในร่างกาย แล้วก็มันก็รู้สึกตื่นเบิกบานขึ้นมาเลยครับเอแล้วก็แต่ว่าระยะหลังนี้เห็นแต่จิตไหลอไปคิดมากกว่าใช่ได้แล้วล่ะให้รู้ทันจิตที่ไหลอ่ะนะแต่ไม่ใช่ไปรู้เรื่องที่คิดนะเรารู้ทันว่าจิตไหลไปคิดครับนะแล้วจิตรู้มันจะเกิดแถ่งไหมจิตไหลก็ไม่เที่ยงนะจิตรู้ก็ไม่เที่ยงจิตไหลก็ห้ามไม่ได้จิตรู้ก็รักษาไม่ได้ทีแต่เกิดแล้วดับครับ อย่างนั้นดีก <K> ็แต่เห็นจิตไหลไปคิดนี่มันจะไม่ชัดเท่ากับตอนที่เห็นไหลไปในร่างกา ย, ยานะไอ้แล้วจิตมันมีสมาธิเยอะหน่อยอืมครับอนนี้จิตไหลไปคิดเนี่ยสมาธิตอนนี้มันอ่อนไปใช่ใช่ครับครับสมาธิไม่พอมันไม่ชัดอืมครับผมแล้วเอ่อช่วงอาทิตย์อาทิตย์นี้ครับจิตใจมันเปลี่ยนนะครับคือจากอารมณ์ดีแล้วก็ ที่เห็นอะไรผ่านมาผ่านไปกลายเป็นที่โมโหขึ้นมาฆ้าไม่ได้นะครับฆ้าไม่ได้ถ้ามันโมโหมากเราก็ใช้สมถะเจริญเมตตาถ้ามันไม่ได้บางทีกระแสอันนั้นมาจากข้างนอกก็มีนะเวลาเราภาวนาดีๆนะส่วนใหญ่จะเป็นมารมันแทรกเข้ามาแล้วมันมาบิ้วเราเราเจริญเมตตาไว้มาล้ะไม่ปล่อยให้ใครหลุดมือง่ายๆนะครับผม มันต้องหวังถ้าเราทำผิดแนละ้วมันไม่ยุ่งกับเราอะอถ้าเราทำถูกแล้วมันแกล้งโน่นแกล้งนีง่ี่มัดหัวเราก็มีนะแล้วแต่จะแกล้งครับแล้ววันนี้ดีมากเลยครับที่หลวงพ่อได้ตาหัดดูสภาวะรู้สึกว่าจะก้าใจมากขึ้นครับก็ขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่อครับกราบนมัสการหลวงพ่อคะ่ะอ่ะพอดีหนู มีคำถามอยู่ในใจมานานแล้วค่ะแล้วก็วันนี้อยากจะมาถามหลวงพ่อนะคะคือเมื่อนานมาแล้วเนี่ยมีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมเขานเนี่ยปฏิบัติธรรมก็สั้นๆแค่เจ็ดวันนะคะหลวงพ่อเขานี่ยวันวันที่สามนะคะก็เริ่มที่จะเริ่มที่จะรู้สึกว่านิ่งขึ้น วิธีการภาวนาของครูบาอาจารย์เมื่อเมื่อสมัยนั้นที่ท่านสอนมาก็จะเป็นลักษณะหยุดหนอกองหนออะคะ่ะแล้วก็ทําไปทําไปก็ตามดูตามดูตามดูจนจนมันนิ่งมันละเอียดละเอียดเลยแล้วก็มันนิ่งกึ้งไปพอนิ่งปุ๊บมันก็รู้สึกว่างเบาเฉยแล้วมันก็แอวรู้สึกแบบดีดีที่ไม่เคยดีมาก่อนอะไรประมาณนี้นนะคะ่ะและตอนนี้ พอพอไปอยู่ไปอยู่ไปก็รู้สึกว่าหลังจากนั้นเจ็ดวันปุ๊บ ก, ก็ออกวัดมาคราวนีพ้พยายามที่จะนั่งนั่งปฏิบัติอีกหลังจากนั้นปุ๊บมันก็กลับไปเป็นจุดนั้นนะคะวันสักห้านาทีหรืออะไรเงี้ยก็จะไปเป็นจุดนั้นหลังๆมาเริ่มหมุดหงิดนะคะว่าอุ้ยแลนิ่งมันก็ดีว่างมันก็ดีเฉยๆมันก็ดีแต่ ครูบาอาจารย์ได้ปัญญาจากตรงไหนพระพุทธเจ้ารู้อะไรเนี่ยค่ะตรงไหนมันคือปัญญาแล้วก็พยายามจะนั่งนั่งไปแล้วก็ก็มันมันหายไปแล้ว ค, คัมภีรวันนะหายไปแล้วเราจะทํายังไงต่ อ, อตรงไหนทํำยังไงเนะะี่ยค่ะถ้าจารย์อันนั้นเป็นเรื่องของสมาธินะจุดสําคัญก็คือเรารู้สึกตัวอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเราเห็นร่างกายมันทํางานไม่ใช่เราทํางาน เราเห็นความสุขความทุกข์เกิดขึ้นไม่ใช่เราสุขเราทุกข์นะเราเห็นความดีความชั่วเกิดขึ้นไม่ใช่เราดีเราชั่วเราดูกายเหมือนดูคนอื่นดูใจเหมือนดูคนอื่นนะดูอยู่อย่างนี้เรื่อยๆอยู่ในชีวิต ธ, ธรรมดานี้แหละนะส่วนสภาวะทั้งหลายที่เกิดขึ้นนั้นะเกิดแล้วก็ดับผ่านไปหมดแล้วก็ช่างมันสุดสำคัญที่เราจะเจริญปัญญานะคือรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันตัวนี้นะอ ย, นนะอย่างตอนนี้ใจเกลียดไหม ใ, หใจว้าวุ่น ใจวาวุ่นเห็นไหมมันวาวุ่นได้เองเนี่ยพามันดูะให้มันดูรู้ทันมันไปอย่างตอนเนี้ยใจไหลไปคิดทราบไหมเ mm hmm. นี่ยก็รู้ทันเนี่ยใจไหลไปคิดทีแรกเราก็แค่เห็นสภาวะเออใจมันไหลไปคิดลแล้วใจรู้สึกแล้วใจไหลไปคิดแล้วรู้สึกล้วตอมาปัญญามันเกิดเ อ, อ้มันไหลได้เองเนี่ยมันไหลไปได้เองเนะี่ยรู้สึกก็รักษาไว้ไม่ได้ มีแต่ของที่เปลี่ยนแปลงมีแต่ของบังคับไม่ได้เลือกไม่ไดน้นี่คือปัญญาละเราจะเห็นว่ารูปนามขันห้าเนี่ยตกอยู่ใต้ใจรักนั่คือตัวปัญญาเดนที่ไปนั่งไปอะไรนั้นทำมากๆเดี๋ยวจิตติดสมาธินะระวังเก้แลกันค่ะคือพอเนี่ยละค่ะคิดว่าแบบให้นจะบอกตัวเองว่านั่งนิง่งนิ่งได้แล้วอะไรแล้วแล้ว แล้วต้องทำยังไงต่อคะ่ะเออลืมมันไปแล้วมาอยู่ในชีวิตประจาวันนี่แหละแล้วเวลานั่งสมาธิทำยังไงก็อยู่อย่างแค่นั้นเหรอคะไม่ไม่ต้องเออเอาไว้พักผ่อนอนะ๋อเอาไว้พัก่ค่ะขอบคุณค่ะเรานั่งให้หลวงพ่อดูซิรู้สึกไหมว่าเราบังคับจิตเราบีมเข้าไปรู้สึกไหมถอยออกมา อย่าให้จิตเข้าไปติดอย่างนั้นติดสมาธิอย่างนั้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่เป็นสมาธิที่ไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่หรอให้ใจผ่อนคลายความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธินะไม่ใช่การบีบจิตเข้าไปถ้าบีบจนจำนานมันจะเพ่งแรงๆมันจะอึดัด น, นะนมาสัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อเดี๋ยวนะแป๊บสังเกตไหมว่าตอนถอยออกมาเนี่ยมีโมหะ สังเกตไหมว่าจิตมันซึมหลวงพ่อคะคือมันพยายามที่จะหาคําตอบอยู่ตลอดเวลามันก็เลยเกิดความวาวุ่นวับทางไหนดีทางไหนดีมันเป็นโมหะนะมันฟุ้งซ่างทางที่ดีที่สุดก็คือมีสตินะรู้ปัจจุบันธรรมไปรู้ได้จิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางไปนะนี่นเป็นหลักของการปฏิบัติยไปนสนใจว่ารูปแบบแบบไหนดีรูปแบบไม่สําคัญเท่า รูปแบบของแต่ละคนนะครับก็เหมาะกับคนแต่ละคนนะไม่มีรูปแบบสําเร็จรูปหรอกครับคุณค่ะเพราะฉะนั้นอย่างมานั่งอย่างตะกี้เนี่ยถอยออกมาแล้วจิตมีโมหะตามออกมาด้วยนะมันซึมออกมาเลยมันมันวุ่นวายมันมันไม่สบายเมื่เวลาที่จะนั่งสมมติจะนั่งรู้ลมหายใจนั่งเห็นร่างกายหายใจนะรู้ด้วยใจที่มีความสุขรู้ด้วยใจที่ผ่อนคลาย เห็นร่างกายมันหายใจใจเราเป็นคนดูด้วยจิตใจที่ผ่อนคลายไปถ้าบีบมากๆบังคับมากๆนะถ้าทุกจัดๆเกิดขึ้นบางคนสติแตกนะเมื่อวานก็ไปส่งกันบ้านคนหนึ่งฝึกมาอย่างนี้แหละจนต้องหาจิตแพทย์เลยแลกนะเวลาเรียนเนี่ยไปเรียนที่อื่นนะแต่พอป่วยแล้วมาหาหลวงพ่อเนี่ยแมเราปวดหัวมากเลยอ่ะ๋ย่าไปบังคับจิตจนมันเครียด เนี่ยขณะเนี้ยบังคับจิตอยู่รู้สึกไหมใช่ความพยายามนีโยนทิ้งมันไปเลยนะไม่ต้องกลัวว่ามันจะไม่ดีหรอกให้ด้วยจิตใจที่สบายๆรู้สึกไปสบายๆของดูว่ามันติดเพ่งไปแล้วละ่นะกรรมาฐานที่ฝึกนี่แหละมันทำให้ติดกลับข้างกันอันนี้ติดเพ่งคุณนี้ฟุ้งเยอะอ่ะมัสกการเจ้าขนงหลวงพ่ อ, อ ว่าไงค่ะก็ไหายดยาื้อจ้าค่ะก็เริ่มต้นทําในรูปแบบอย่างจริงจังทําวัดเช้าทําทวัดเย็นเจ้าค่ะดีดแล้วก็เห็นตอนแรกๆก็คือทําวัดเช้าไปเรื่อยๆก็สวดสวดสดแต่มันเหมือนกับว่าไม่รู้ว่าตัวเองเวอ่อไปหรือเปล่าเจ้าค่ะแต่เพิ่งเริ่มต้นทําตั้งแต่ปีใหม่นี่เองอะเจ้าค่ะแต่มันเห็นทีละมันเห็น มันเห็นทีละคําทีละคําเยอะขึ้นแล้วมันมันเกิดมันกลายเป็นว่าตอนแรกตั้งใจทําว่าชาว่าเย็นเฉยๆแต่อยู่ดีๆเหมือนตอนนี้เป็นวิหารธรรมไปแล้วว่าเจ้าค่ะแล้วก็เห็ น, เ ห, นเห็นกิเลสเห็นฟุง้งเห็นอะไรเกิดขึ้นเรื่อยๆเจ้า<ล> <ๆ S 2> ค่ะไป <ๆ S 2> สวดไปนะแล้วก็รู้ทันไปเห็นไหมกระทั่งคําสวดมนต์ก็เกิดดับเกิดดับใช่เจ<ต>้า <ๆ S 2> ค่ะแต่ละคําคําที่อาปากออกมาเสียงที่เปล่งออกมาไม่มีความหมายอะไรเลยมีแต่ของที่เกิดดับเกิดดับเกิดดับไปเรื่อยๆ แต่ถ้าจะรู้อันนี้ใจต้องมีสมาธิพอนะถ้าใจไม่พอเดี๋ยวว้าวุ่นใจต้องรู้สบายๆระหว่างวันก็พยายามที่จะมีเครื่องอยู่อะค่ะหลวงพ่อยรีบร้อนเกินไปน ะ, ะ ส, สบายๆ บ, บ้างนะเราแค่รู้ทันอย่างสวมเราหายใจไปหรือสวดมนไปถ้าชอบสวดมนล้วก็สวดมนไปสวดมนแล้วเราก็รู้ทันจิตสวดมนแล้วจิตสงบก็รู้จิตฟุ้งร้านก็รู้นะ จิตสุขจิตทุกข์ก็รู้อะไรเนี่ยรู้ไปสบายๆไม่ต้องรู้แบบละเอียดยิบนะถ้าตั้งใจจะรู้ให้ตลอดสายเลยเนี่ยจะเหนื่อยเกินไปหให้มันสบายกว่านี้นิดหน่อยให้สบายกว่านี้หน่อยอเถอะเมืเ่อตั้งใจมจะฟุ้งั่านอ๋อเจ้าค่ะแล้วก็ขออนกนดนึนะ คือเ อ, อที่หลวงพ่อเคยเทศบอกว่าคนเราทุกคนคือทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอะไรที่มากระทบกันเราคือเป็นสิ่งที่ meant to be สําหรับเราอะค่ะมันเป็นสิ่งทีเ่เป็นแล้วแต่กรรมของแต่ละบุคคลองนี้ยเจ้าค่ะคือตัวลูกแต่งงานกับสามีที่เป็นคนที่เ อ, อมีความหวัดระแวงเยอะอะค่ะเป็นคนขี้กลัวขี้หวัดระแวงอะค่ะหลวงพ่ อ, อ, อลูกห่วงเรื่องศีนะคะหลวงพ่อศีลข้อศีลอย่างเนี้ยเจ้าค่ะ เรไงล่ <c oughs> คะค่ะก็ห่วงนิดนึงว่าเวลาที่คือบางครั้งกันแค่ห่วงว่าต้องการให้สีวเตงบริสุทธิ์ผุดผ่องอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแต่ว่าด้วยความที่ความจริงทั้งหมดอาจจะทำร้ายคนอื่นได้อย่างเงี้ยเจ้าค่ะความความจริงทั้งหมดคือการบอกทุกอย่างคือในการที่โดนซักๆักักักอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ และการที่ต้องบอกทุกอย่างความจริงทั้งหมดมันจะสร้างเพิ่มปูนความหวาดระแวงให้สามีหรือเงี้ยเจ้าคะคือแค่รู้สึกว่าสีลอย่งไม่บริสุทธิ์แต่สามารถจะคิดอย่างที่หลวงพ่อเทศมาสักครูได้ไหมเจ้าคะที่ว่าจิตมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับไปอย่างเงี้ยได้ไหมเจ้าคะคือเรื่อีนะอยู่ที่เจตนานะเราไม่ได้เจตนาโกหกหลอกลวงอะไรเนี้ยแล้วเวลาพูดเนี่ยการพูดความจริงทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ว่าครบหลัก ของสัมมาวาจาณนะพูดความจริงพูดมีประโยชน์พูดประกอบด้วยเมตตาพูดสมควรที่จะพูดอย่างเงี้ยมีหลายเงื่อนไขนะดั้นเราต้องดูบางทีการพูดความจริงนเรากลัวว่าต้องพูดให้หมดอย่างเงี้ยถ้าพูดให้หมดเราเกิดทุกข์เกิดโทษขึ้นมาเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ไม่พูดอย่างบางคนมาถามคําถามท่านท่านไม่ตอบนะ อถามครั้งที่หนึ่งไม่ตอบครั้งที่สองไม่ตอบครั้งที่สามอยากรู้จริงๆตอบให้ก็ได้ตอบแล้ฟังแล้วแทบช็อกเลยนะอยู่ที่ว่าเราพูดนะ่ะจริงไหมเป็นความจริงไหมนะเป็นประโยชน์ไหมนะมีความเมตตามไหมสุภาพอ่อนโยนไหมอนะไรนี้ยมีองค์ประกอบหลายอย่างนะในการพูดสุดสําคัญอยู่ที่เจตนาเราอะเราเจตนาหลอกลวงเขาหรือเปล่านะออ ถ้ตัวเจตนานั่นแหละคือตัวศีลขอบคุณมากเลเจ้าค่ะพ่อค่ขออีนิดนึงได้ไหมเจ้าค่ะอพอดีเป็นแม่เป็นเป็นแม่เป็นภรรยาปฏิบัติอยู่ในชีวิคตครอบครัวอย่างเงี้ยคะ่ะหลวงพ่อนิดนึงคือมีลูกมีลูกที่บ้านสองคนนะคะเอ่ อ, อ, อตอนนี้ก็ห้าขวบกับแปดขวบอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแต่ว่าเขาเรียนอยู่โรงเรียนนานาชาติด้วยเจ้าค่ะที่บ้านก็คือทําธุรกิจทําอะไรสามีก็คืออยากจะให้ลูกเก่งอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแต่เรารู้สึกว่าเรามีความกังวลว่าเอ๊ะลูกจะใกล้เกลียกินด่างหรือเปล่า แต่ก็อยากจะให้เขามาอยู่โรงเรียนไทยเพราะว่าคิดว่าภาษาในการปฏิบัติธรรมในอนาคตเป็นเรื่องสําคัญภาษาเป็นจะเป็นปัญหาของเขาในในอนาคตไหมเจ้าคะควรที่จะพยายามที่เขาย้ายมาโรงเรียนไทยให้ได้หรือว่าโอเคที่จะให้อยู่อินเตอร์ไปเลยไหมเจ้าคะ <laughs> <laughs> อยู่เอินเตอร์ก็น่าจะพูดไทยได้นะเพราโทรทัศน์มันก็ภาษาไทยอะไรก็ภาษาไทยเท่านั้นแหละคงไม่ถึงขนาดพูดไทยไม่ได้หรอกคิดเดยอะไป โ okay, อเคเจา้าค่ะคเจ้าค่ะส่วนเด็กที่โรงเรียนไทยสิพูดภาษาไทยไม่ค่อยรู้เรื่องมี <laughs> ขอบคุณเจา้าค่ะกลับนมัส ก, การหลวงพ่อครับทุกวันนี้ในรูปแบบก็คือไหว้พระสวดมนต์ทุกคืนมีตามลงภายใจบ้างแต่ไม่สม่ำเสมอในชีวิตประจำวันก็คือดูเรียบทกับดูจิตใจที่ทุกข์ ค, ครับ ส่งกันบ้านหลวงพ่อเมื่อเดินวิถุนาคือเริ่มแยกธาตุยขันได้บ้างแต่ตอนนี้รู้สึกว่ามันยังไม่ปัญญายังไม่ได้ก้าวหน้าไปเท่าที่ควรนะครับจิตมันเดินปัญญาอยู่นะมันไม่ได้หยุดจิตยังเดินปัญญาอยู่แต่จิตเดินปัญญากับเราเดินปัญญาไม่เหมือนกันนะจิตมันเรียนรู้ไม่ต้องกลัวหรอกอย่าไปบังคับมันให้นิ่งก็แล้วกันอย่างขนาดนี้นิ่งไปไหม นิ่งแบบทุกลังใช่ไเออนะปล่อยให้มันทำงานไปเราดูมันทางานไปอันนี้มันนิ่งผิดปกตินะมันนิ่งผิดกว่าสภาวะปกติที่เคยเป็นนะมันตื่นเต้นนะงอะเราวางใหม่สิแล้วก็หาย <c oughs> <c oughs> ต้องส่งใหม่ไปถึงจะหายครับตอนนี้คือเริ่มลองรู้สึกถึงโครงกระดูกในร่างกาย รู้สึกว่าทําให้ใจสงบดีจะทําได้ไหมครัได้เป็นสมาธินะพอใจสงบแล้วเนี่ยถ้ามันไปติดติ้ติดเฉยเนี่ยพิจารณาักกายไปเลยหเห็นในโครงกระดูกนี้ก็แตกสลายได้ระเบิดได้หักเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยได้เอกระตุ้นให้มันเดินปัญญาดูกายสังเกตไหมว่าร่างกายเป็นสิ่งที่จิตไปเห็นเท่าไหมขันมันแยกแล้วนะ เมื่อขันเมนแยกแล้วเวลาดูกายเนี่ยดูในแง่ว่ามันไม่ใช่ตัวใช่ตนหรอกไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาถ้าไปดูกระดูกนิ่งนิ่งอยู่นะก็ช่วยพิจารณาไปร่างกายนี้ไม่ใช่คนใช่สัตว์ใช่เราใช่เขาอะไรการกระตุ้นให้มันมองไตรลักษณ์เพราะฉะนั้นจะไปกลายเป็นเพ่งกระดูกอยู่เฉยเไปในได้แต่สมถะแต่จิตของคุณนะโดยธรรมชาติเนี่ยมันเฉยนจะเิญปัญญาอยู่แล้วละ สัเกตไหมจิตนี่มันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะดูจิตไปเลยไม่ต้องไปดู ก, กายแล้วเรเห็นจิตชัดแล้วนะยกเวน้น ว, ว่าสมาธิตกก็มาดูกายมาดูกระดูกใหม่พอจิตใจมีกําลังแล้วก็มาดูจิตมันทํางานไปไม่นะมันไปติดอยู่ที่กายแค่ที่ควรจะขึ้นบันไดไปอีกขั้นหนึ่งแล้วการของพระครู ค, ครับครูอาจารย์สอนนะดูกายเพื่อให้เห็นจิตดูจิตเพื่อให้เห็นธรรม งั้นตอนนี้เราเห็นจิตไ ด, ได้ชัดนะมีห่วงกายมากนัเชิญกราบนมักนส ก, การ <c oughs> หลวงพ่อฮะไม่ได้ส่งการบ้านมาหลายปีแล้วฮะแต่ว่าระหว่างทางนั้นก็ได้ฟังซีดีแล้วก็ปฏิบัติตามรูปแบบโดยใช้บริกรรมพุทโธนะฮะออพอบางบครั้งเนี่ยพอเวลานอกแป๊บสังเ็จไหมจิตมันไหลไปคิดได้เอง <c oughs> ดูเขาทำงานเห็นเขาทำงานไปนะไม่ห้ามเขานะอย่าจ้อง อย่าไปนั่งเฝ้าถ้านั่งเฝ้าดูนั่นจะเป็นเพ่งจิตอีกปล่อยให้มันทํางานเป็นธรรมชาติแล้วก็แค่รู้สึกไปว่าวันหนีไปแล้วนะสุขไปแล้วทุกข์ไปแล้วโลภตกรธหลงไปแล้วแค่รู้สึกไ ป, ไปสบายสบายอย่าบังคับถ้าเชิญต่อเอใช้บริกา ร, รพุทโธครับก็เ อ, อพอบางครั้งเนี่ยบริกา ร, รพุทโธหายก็มาดูเ อ, อกายหายใจ ได้ไดแล้วก็เ อ, อเห็นกายกับใจเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆกันนะครับแล้วก็เนี่ยมีอารมณ์หรือกิเลสเนี่ยเกิดขึ้น อ, อยากจะรักษามันมันรักษาไม่ได้อยากจะให้มันมันมันก็ไม่ไปนะครับในบางครั้งแล้วก็ อ, อในชีวิตประจําวันเนี่ย ตัวเล็กๆกิเลสตัวเล็กๆนี่จะไม่ค่อยเห็นจะเห็นแต่ตัวโตๆใหญ่ๆถ้าไปช่วยงานวัดเมื่อไหร่ก็จะเห็นตัวมานะเกิดขึ้นครับแต่นี้หลังๆเนี่ยามาหนึ่งปีให้หลังเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าไอ้ที่เห็นว่ามันใกล้ๆกันาจากกักรกายกับใจใกล้ๆกันหรือว่าเห็นเนี่ยเห็นที่มันเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะฮะมันเกิดจากเราคิดนำหรือเปล่าหรือว่าเราเห็นนะฮะเห็นจริง ขันมันแยกได้แล้วนะเราเห็นจริงๆนั่นแหละไม่ได้คิดนําหรอกรู้สึกไหมร่างกายมันทํางานจิตใจก็ทํางานนะเราเป็นแค่คนรู้คนดูไปมันไม่ใช่ตัวเราครับพอตอนเช้าตื่นขึ้นมาสิ่งแรกที่จะเห็นก็จะเห็นร่างเนี้ยร่างกายเนี้ยมันนอนอืจะไม่เห็นอย่างอื่นแล้วสักพักมันถึงค่อยไปฟุง้งฟังอะไรค่อยไปอย่างีก็ดูจิตไม่ได้ดูกายไป กายไม่เคยหายไปไหนหรอกดูง่ายถ้าดูจิตไม่เห็นแล้วก็ดู ก, กายเห็นร่างกายมันนอนนะแล้วพอจิตมันทำงานขึ้นมาก็ค่อยไปเห็นจิตไม่เป็นไรถูกแล้วล่ะครับแล้วก็ฝึกปฏิบัติอย่างนี้ต่อไปนะครับครับกลับขอบพระคุณครับอย่าไปสงสัยเยอะสิวันน้าถูกเราก็ยังสงสัยอยู่อีกลอมาหลายปีฮะ ก็เพิ่งมาตัดสินใจครั้งนี้ว่าจะมาลองส่งกันบ้านดูว่าที่สงสัยเนี่ยมันจะได้ปราศสจากความสงสัยต่อไปฮะโห <ผม S 2> ทำไมต้องรอตั้งหลายปี่ตอบไปจนสุดท้ายแล้วขอบระคุสมศักดิหลวงพ่อค่ะเพิ่งเริ่มปฏิบัติได้เจ็ดเดือนตอนนี้สงสัยว่าที่เราปฏิบตัติถูกไหมเพราะว่าในชีวิตประจำวันอะในชีวิตประจำวันก็คือจะดูริยาบทย่อยแล้วก็ดูจิตมันทํางานอะไรเงี้ยแต่ว่า ส่วนใหญ่มันจะลืมตัวเองเป็นส่วนใหญ่อะค่ะคือสมาธิเราไม่ค่อยพอะพื้นฐานเราใจเราฟุ้งสั้นเก่งเงั้นเราจะต้องมีเครื่องอยู่ให้จิตอยู่จะอยู่กับพุโทโธอยู่กับลมหายใจอะไรก็ไปทําไปแล้ว ก, วกถ้าจิตหลงไปลืมพุโทโธไปลืมลมหายใจก็รู้ทันะแต่เราไม่บังคับให้จิตสงบนะให้มีเครื่องอยู่แล้วอย่างในรูปแบบนี้จะใช้เดินจงกรม แต่ว่าถ้าเวลาจิตไหลไปคิดเคยลองดูจิตที่มันไหลไปคิดเคยดูพอดูมากๆแล้วมันฟุ้งซ่านมากค่ะก็เลยหยุดเราก็มาดูสุขทุกเฉยๆแทนดูสุขทุกเฉยๆก็พอแล้วค่ะนะไม่ต้องรู้จิตไหลก็ได้สุขขึ้นมาก็รู้ทุกก็รู้นะหลงก็รู้แล้วก็บางครั้งจิตมันเหมือนมันภาคตัวเองอะคะ่ะห้ามไม่ได้หรอกนะก็ต้องปล่อยเขาไปใช่ไหมปล่ยยอยเพราะเราอย่างไงเราก็ฟุ้งซ่านนะพื้นฐานจิตของเราฟุ้งซ่านห้ามไม่ได้หรอก ถ้าอย่างนี้ก็ควรจะในชีพจําหวันถ้ามันฟุ้งมากก็ควรจะใช้พุทโธหรืออะไรช่วยถ้าเจร้ญใช้พุทโธไปก็ได้หรือจะใช้ความสุขทุกเป็นวิหารธรรมอย่างได้เลยคนะรู้ทันใจใจสุขก็รู้ใจทุกก็รู้ใจเฉยๆก็รู้เอาเวทนาทางใจอเป็นวิหารธรรมก็ใช้ได้นะค่ะถ้าดูจิตไหลเดี๋ยวจะยิ่งวุ่นวายหนักก็ค่ะเคยลองดูแล้วมันยิ่งฟุ้งกว่าเดิมอะค่ะไม่เป็นวิหารธรรมที่ไม่เหมาะกับเราค่ะ ดูสุขทุกข์ไปค่ะแล้วส่วนใหญ่จะเน้นดูกายเป็นหลักอันนี้ถูกแล้วใช่ไหมคะือจะเน้นดูกายเป็นหลักในชีว<ช>ิตจัาววันนะคะดูดูกายไปแต่อย่าไปเพ่งกายนะค่ะเดี๋ยวจะกลับไปเพ่งกายต้องระวังให้ดีค่ะที่สําคัญก็คือคอยรู้ทันความรู้สึกสุขทุกข์ของเราไปเรื่อยๆในทุกๆอิริยาบถค่ ะ, <น>ะค่ะขอบพระคุณหลวงพ่อมากค่ะของโนที่ใส่แว่นตาเนี่ยนะมันติดสมาธิอยู่นะ มันติดนิ่งๆเพ่งๆไม่ใช่คนนี้คนหลังนะมันนิ่งเกินไปถ้ามันนิ่งอย่างนี้นะดูพิจารณาร่างกายไปร่างกายไม่ใช่ตัวเราแต่ว่าเวลาจิตใจเคลื่อนไหวเห็นได้ชัดอยู่นะดะงนั้นอย่าไปให้มันนิ่งๆอยู่ดูจิตมันทํางานให้ตาหูจมูกลิ้นใจกระทบอารมณ์ไปนะให้จิตมันเปลี่ยนแปลงแล้วค่อยรู้สึกเอา ถ้าตั้งใจทำในรูปแบบมาก ไ, ไปมันจะเป็นนิ่งๆอย่างเดียวแล้วมาอยู่ในชีวิตธรรมดาเนี่ยกระทบอารมณ์เยอะๆหน่อยไม่ต้องกลัวโลกข้างนอกนี้อ่ะจบแล้วครับเราได้ฟังธรรมแล้วก็ฟังการส่งกันบ้านเรียบร้อยครั บ, รบจะขอการทุกท่านเป็นตัวแทนกล่าวนํานะครับการหวายทานครับขอให้ทุกท่านน้อมจิตและกล่าวตามนะครับข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย <Okay. S 1> เครื่องปัจจัยไทยธรรมและสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ <Okay. S 1> แด่พระอาจารย์ปราโมทปราโมทโช <Okay. S 1> ขอพระอาจารย์ได้โปรดรับ <Okay. S 1> เพื่อประโยชน์ <Okay. S 1> เพื่อความสุข <Okay. S 1> แก่ข้าพระเจ้าทั้งหลาย ตราบสิ้นกาละนานเถินยาถาอริวหาปุราปริภุเรนตีสาตรังเอวาเมวายโตทินังเปตานังอุปกปติยิชิตังปฏิตังทุมหังคิะเมวาสมิชตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนรสยถ า, ามณีโชติรสยถา สัพพิติโยวิวัตชันตูสัพรโรโภวินั ส, สตูมาเตปวัตวันตรายโยสุขีตีคายุโกภาวะอาภิวาธนาสีเลสนิจังวุทาปัจจายโนจตตาโรธรมาวทันตีอายุวนโนสุขังภะลังสาธุ